พระปาราศริยะเถระนันท่านได้อุทานว่าอย่างไงเมื่อท่านได้บรรลุมรรคผลนะเ<ด>พราะว่าเป็นข้อความที่ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งสักหน่อยนะก็<ด><ด>อยากนำมาเสนอกับท่านดูซิว่าท่านจะตีความหมายเองได้ยังไงบ้างนะผมเอามาเพียงบางจุดเท่านั้นนะนะอินทรีย์ทั้งหลายย่อมมีเพื่อประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลาย อินทรีย์ทั้งหลายคงรู้แล้วนะอินทรีย์นี่อินทรีย์ทั้งหลายย่อมมีเพื่อประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายอินทรีย์ที่ไม่รักษาย่อมไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์อินทรีย์ที่รักษาย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์บุรุษผู้รักษาและคุ้มครองอินทรีย์นั่นแลจึงชื่อว่าเป็นผู้กระทากิจของตน และชื่อว่าไม่เบียดเบียนใครๆถ้าผู้ใดไม่ห้ามจากขุนศีอันเป็นไปในรูปทั้งหลายเป็นผู้ยังไม่เห็นโทษผู้นั้นย่อมไม่พ้นผู้นั้นย่อมไม่พ้นจากทุกได้เลยแม้ตรงนี้น่าสนใจทีเดียวนะตั้งแต่คําว่าอินทรีย์ทั้งหลายย่อมมีเพื่อประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลายนีนะครับอาท่านเข้าใจว่าไงครับ อินทรีย์ที่เป็นประโยชน์เป็นไงครับเอาอันอันว่าหน่อยดิอ่าหมอว่าหน่อยดิก่อนก่อนดอินทรีย์คืออะไรครับตาเออตาหูจมูกกลิ่นกายใ จ, ใจใน่ะเอเ อ, าเอาตามันเกิดไม่เป็นประโยชน์มันเป็นประโยชน์ยังไงขึ้นมาล่ะคะเนี้ยตาทั้งหลายย่อมมีเพื่อประโยชน์และไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่มนุษย์ทั้งหลาย นะถ้าคุ้มครองดีก็เป็นประโยชน์อืมเรืเ่องข้อทานนะถ้าก็คุ้มครองไม่ดีก็เป็นโทษเออเดี๋ยวจ๋จ๋าจ <c oughs> อินทรีย์ทั้งหลายย่อมมีเพื่อประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์แสดงว่าตานี่มีทั้งประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์นะครับถ้าเป็นประโยชน์คงไม่ใช่สําหรับไม่ดูเฉยๆนะครับตามความหมายธรรมะนี่ท่านมีความหมายว่าอย่างไ ร, รเนยนนายเอากวามเห็นไหนดีครับ นะครับถ้าเป็นประโยชน์ก็ต้องแสดงว่านำประโยชน์มาให้เราอะถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ต้องนำทุกโทษมาให้เราอะคงจะมีอยู่เท่านั้นเนี่ยนะก็หมายถึงกุศลนะกุศลนะครับถ้าหากว่ามองไม่ดีก็นั่นแหละครับถูกโจรปล้นนะครับถูกโจรปล้นอายตนะภายนอกเหมือนโจรปล้นบ้าน อายตนะภายในตาเรานี่เปรียบเหมือนบ้านที่ว่างนะครับถ้ามองดีก็เป็นประโยชน์นะบบุรุษผู้รักษาและคุ้มครองอินทรีย์นั่นแหละชื่อว่าเป็นผู้กระทากิจของตนนี่ทากิจของตนนี่หมายความว่าเป็นเรื่องของการศึกษานะครับตั้งแต่ ศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขานะครับถ้าผู้ใดนะครับทํากิจของตนหมายความมาพูดนั้นกําลังเจริญศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขานี่นะครับแสดงว่าการคุ้มครองอินทรีย์หรืออินทรียสังวรนี่มีความสําคัญมากเลยนะฮะถ้าหากว่าเราไม่รู้นะครับแล้วเราก็ถูกโจรปล้นอยู่ตลอดเวลาเลย ภิกษุผู้ฉลาดย่อมกําจัดอินทรีย์ด้วยอินทรีย์เออเอาสิตรงนี้ยิ่งหนะักกันอีกภิกษุผู้ฉลาดย่อมกําจัดอินทรีย์ด้วยอินทรีย์ท่านบอกว่าบุคคลผู้มีกําลังเมื่อผ่าไม้ย่อมตอกลิ่มด้วยลิมพอเอาลิมตอกไปใช่ไหมจะผ่าไม้มันก็ตอกไปให้ไม้มันแยกใช่ไหมเสร็จแล้วก็เอาลิมตัวใหญ่อีกตัวหนึ่งตอก ไปดึงในตัวนั้นออกมาแล้วก็ตอกอย่างนี้ใช่ไหมก็ขยายไม้ให้มันแตกออกนี่นะนี่นะท่านบอกว่าบุคคลผู้มีกําลังเมื่อผ่าไม้ย่อมตอกลิ่มด้วยลิ่มชั้นใดภิกษุผู้ฉลาดย่อมกําจัดอินรีย์ด้วยอินรีย์ชั้นนั้นแสดงว่าเอาอินรีย์นั่นแหละนะครับแก้อินรีย์หมายความว่าไงครับหมอว่าไงเอาอินรียนั่นแหละละอินรีย์ เอาอินทรียมัละอินทรียนะเอามัละอินทรีย์นี่หมายความว่าไงครับจะไม่เอาตาหรือยังไงครับที่ใครยังอยากได้ตาอยู่ตาตาสมุไทยตานีโลดผมอามั่งนะตานีโลทะคาเมนีปฏิปทาเพราะฉะนั้นใครยังอยากมีตาอยู่ก็ไม่ไมต้องอินทรียสังวรนะไม่ต้องมีจกักขุนรีสังวร นี่เป็นความไพเราะเป็นข้อความที่น่าอ่านครับเนี่ยเทรกคาถาเนี่ยน่าสนใจมากครับจะมีเรื่องอีกเยอะแต่ว่าเพลงจะเสียเวลาท่านนิมนต์ท่านครับไหนๆก็ตั้งอินเสียคถาแล้วนะอินเสียคถานี่มีปัสนาภูมิมเท่าไหร่มีเท่าไหร่นะ โอ้เจ๋งมากหกหนึ่งอ่าคำว่าภูมิคืออะไรก่อนภูมิในที่นี้หมายถึงอารมณ์ของปัญญานะที่เกิดที่เกิดของปัญญานะปัญญานี่ถ้าไม่มีที่ไม่เกิดนะว่า ง, งั้นอ่าที่เกิดของปัญญาหมายถึงอรรมณะปัจจัยของปัญญานั่นเองได้แก่หนึง่งขันนะคำว่าขันเพราะสิ่งนั้นเป็นทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกเป็นต้น น, นะนะ อันนี้ก็เป็นที่เกิดของปัญญาสองอญตะนะนยอัยตนะก็คือที่ประชุมที่ประชุมหรือว่าเป็นที่เป็นเหตุให้วิถีจิตเป็นต้นเกิดนั่นเรียกว่าอัจตนะอันนี้ก็เป็นภูมิของที่เกิดของปัญญาเมอนกันหมายความว่าปัญญามาเรียนสิ่งเหล่านี้ปัญญาจึงจะเกิดวางั้นต่อไปสามาธาตุนะาธาตุก็คือประกาศถึงความไม่ใช่สัก์แต่ว่ามี แต่มันว่างเหมือนตานี่มีมีมีแมลงสักตัวไปอยู่ในข้างในตามไม่มีหรอกแต่ตานี่มีจริงตานี่จึงว่างจากความเที่ยงเป็นต้นนั้นธาตุก็เป็นที่เกิดของปัญญาทีนี้ต่อไปอริยสัจนะ อ, อ, อินทรีก่อนอินทรีก็เป็นอารมณ์ของปัญญาเป็นที่อาศัยเกิดของปัญญาเป็นภูมิของปัญญาต่อไปออกปฏิจจสมุปบาทนีปัจจยการ ก็เป็นที่เกิดของปัญญาหรืออริยสัจก็คือที่เกิดของปัญญาแต่สรุปแล้วทั้งหมดเรื่องเดียวกันนะขันธาตุอายตนะสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทพูดเรื่องเดียวกันยกตัวอย่างเช่นจักขวิญญาณโดยขันเรียกว่าวิญญาณขันโดยอายตนะเรียกมนาอายตนะโดยธาตุเรียกจักขวิญญาณธาตุโดยอินทรีย์เรียกว่ามนินทรีย์ โดยสัตว์จะเป็นทุกขสัตว์โดยปัจจัยาการอยู่ในวิญญาณอันเดียวนั่นแหละนะขยายไปขยายมาก็เรื่องเดียวแต่ว่าอัธยาศัยของสัตว์นั้นสิ่งนี้ถ้ากล่าวแบบนี้ฝังฝังเข้าใจแต่ถ้ากล่าวอีกอย่างหนึ่งฝังไม่เข้าใจเลยเหมือนกับผักผักบางนวนสมมุติว่าผักกาดอันเดียวนะบางคนเนี่ยถ้าเอาไปต้มจืดเนี่ยชอบชอบผักกาดนั่นแหละบางคนไม่ได้ต้องเอาไปผัดนะจึงจะจึงจะทานได้ บางคนเนี่ยไม่ได้ต้องเอาไปลวกจิ้ม น, น้ําพริกอย่างเดียวจึงจะได้แต่ก็ผักชิ้นเดียวนั่นแหละพระองค์นี้สามารถที่จะยักย้ายเทศนาเหมือนกับพ่อครัวผู้ฉลาดหรือหมอที่ฉลาดสามารถตรุงยาอนะโอสถสารอันนั้น อ, สสอันเดียว น, น, นั่นเองแต่ก็มาประกอบกับตัวนั้นเข้าตัวนี้เข้าอันนั้นเด่นอันนี้ด้อยเข้ารักษาหายเลยรักษาโรคได้เลยพระผู้มีพระภาคก็ทรงมีความสามารถอย่างนั้นแหละอันนั้นพระองค์นี้จึงเป็นธรรมราชาวย่างนั้นแต่ ราชาแห่งธรรมะคือยักย้ายได้หมดเลยนะฮะทำให้เทศนาวิราชขนาดไหนก็ได้แต่ที่ทําทั้งหมดเพื่อสงเคราะห์เวณยยสัตว์ตามอัธยาสัยของเวณัยสัตว์นะถ้าเป็นไปเพื่อประโยชน์ทั้งโลกนี้ประโยชน์โลกหน้าประโยชน์อย่างยิ่งแก่สัตว์แล้วพระผู้มีพระภาคก็จะประกาศอาทีนี้เมื่อกี้เนี่ยจากเรื่องอะไรนะอินทรีย์นะ ไปไปเราจะไปยาวไปอีกเจอว่าพูดแต่เจ้าไม่ได้เลยไปเรื่อยบอกว่าศรัทธาอะไรก็พูดถึงเรื่องสิ่งนั้นบ่อยหน่อยเนาะออินทรีย์นี่มีทั้งหมดเคยได้ยินนะเท่าไหร่อินซียี่สิบสองยาอินรีย์แรกเลยเนออินซีเขาเรียกว่าความเป็นใหญ่แต่ว่าคําความหมายของคําว่าอินซีย์เนี่ยนะมีหลายความหมายนะหรือความหมายว่าผู้เป็นใหญ่ประกาศก็ได้ พระพธเจ้าผู้เป็นใหญ่ประกาศก็ได้แต่ว่าตรงนี้ก็คืออินทรีย์คือเน้นที่ความเป็นใหญ่ใหญ่ในทีน่นี้อย่างเช่นตาเนี่ยนะเป็นใหญ่ทั้งหมดของจักขุทวารวิถีนะวิถีจิตทางจักขุเนี่ยนะถ้าไม่มีตาสะอย่างเดียวนี่นะถ้าตาบอดเนี่ยนะใครจะแต่งตัวมางามขนาดไหนก็อดเลยนั่นแหละเพชรเนี่ยนะจะงามขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้าตาเสียสอย่างเดียวนั้นะไม่เกิดประโยชน์เลย จับก็พอๆกับอิดนะนะเท่านั้นเองไม่ต่างกันนะดมก็ไม่ได้สีเนี่ยใช้ทวารอื่นรู้ก็ไม่ได้นะนะอยากเอาความเอาเอามือเนี่ยไปคลาดูความงามเนี่ยยังไงคลาไม่ถูกแน่นอนภาพจิตกรรมฝาผนังอย่างงามเลยนะปิดไฟปนะไละ้มือลูบดูได้เป็นยังไงลูบไม่ถูกแน่นอนนะว่าอะไรเป็นอะไรนั้นตานี่เป็นใหญ่ในการเห็นคือคำว่าเป็นใหญ่ในการเห็นคือเป็นใหญ่ท่า เป็นใหญ่ทั้งหมดของจกักรภูทวารวิถีเลยนะวิถีจิตตั้งแต่ปัญจทวาราวชนะจกักรวิญญาณสัมปติชนะสันติรณนะบุทัพนะชวนะตถารรมนะจิตเหล่านี้มีสีเป็นอารมณ์ทั้งหมดเลย เ, เมื่อมีสีเป็นอารมณ์นี้ตาเป็นใหญ่ที่สุดของวิถีนั้นที่สองหูโสตะอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันเขาใหญ่จริงๆนะ ถ้าลองหูเสียสักอย่างเดียวเนี่ยอดเลยนะใครจะพระพุทธเจ้าเนี่ยเสียงดีขนาดไหนก็ช่างไม่ได้ยินเลยถ้าหนวกสักอย่างเดียวเนี่ยจบหมดเลยนะเสียงในโลกนี้ดับหมดเปี้ยงโลกนี้กลายเป็นโลกเงียบเงียบเกลียเลยถ้าไม่มีหูถ้าไม่มีตาเรียกว่าโลกเนี่ยบอดหมดถ้าไม่มีหูโลกนี่หนวกหมดเลยไม่ได้ยินเสียงสักอย่างอาหารหอมๆนะที่หล่นน้ําหอมถ้าจมูกเสียสักอย่างเดียวนะ หมดเลยเพราะฉะนั้นวิถีจิตที่จะมาเกิดรับรู้กลิ่นนั้นถ้าไม่มีจมูกนะคานะภาษาท่าวิถีจิตจะเกิดไม่ได้ชิวหาภาษาทะก็เหมือนกันนะใครปรุงอาหารรสอร่อยขนาดไหนก็ช่างถ้าหากว่าชิวหาภาษาท่าไม่เกิดนะไม่มีชิวหาภาษาท่นะก็เหมือนกับทานอาหารทางสายยางอะ่ะไม่ได้รู้รสชาติเลยเนาะอร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะทางสายยางเนี่ยอย่าไปทานงนะั้นเลยยมไม่อร่อยหรอก เพราะฉะนั้นลิ้นเนี่ยเป็นใหญ่ในการรู้รสทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นความอร่อยทั้งหมดนะถ้าผ่านลิ้นไปแล้วเนี่ยไม่เกิดประโยชน์เลยอาหารจะดีจะขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้าไม่แปะถ้าเอาอย่างอื่นนะมาเคลือบปลายลิ้น เ, เคลือบแผ่นลิ้นเอาไว้หมดเลยนะอาหารนั้นเนี่ยพอกันหมดเลยนะไม่มีรสชาติเลยแพงถูกขนาดไหนก็มีคุณค่าเท่ากันในด้านรสารมณ์นะากายนั้นทําหน้าที่รับกระทบโทัพธะ โพธาะเป็นใหญ่ที่สุดว่างั้นเถอะความเย็นความร้อนนั้นอาศัยโพธพภะเนี่ยจึงจะรู้ได้อาศัยกายเนี่ยนะจึงจะรู้ได้เป็นใหญ่ที่สุดเลยอย่างเช่นสมมุติว่าเราดูภาพเป็นไฟลุกในในจอทีวีเป็นต้นเนี่ยนะเห็นสีเท่านั้นเองท่า น, นแต่ในขณะเดียวกันนี้สีเนี่ยนะประกาศสีนี่เกิดร่วมกับรูปได้กี่รูปอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่เกิดร่วมกับรูปกี่รูป อย่างน้อยที่สุดเกิดร่วมกับรูปอย่างอื่นอีกเจ็ดรูปนะอะไรบ้างอ่ะอวิริโพครูปไงสีเกิดที่ไหนถ้าไม่เกิดที่มหาภูตรูปใช่ไหมอา้าวมหาภูตรูปที่ไหนเขาก็ทำกิจของเขาอะ่ะเพราะฉะนั้นสีอย่างเดียวประกาศถึงความร้อนได้ไหมได้ไหมสีเนี่ยเราเห็นปั๊บเนี่ยนะสามารถมองได้เลยว่าอันนี้ความร้อนเท่าไหร่ สามารถมองออกได้ไหมอาศัยสีสามารถยังถึงเตโชาธาตุก็ได้อาศัยสียังถึงวายโยธาตุก็ได้อาศัยสีสามารถที่จะยังถึงาธาตุอื่นๆอีกก็ได้ในอวินิพกครูแบบนะใช่สีเนี่ยประกาศอย่างอื่นเนยนะเพราะอย่างไรก็ตามสีก็เกิดร่วมกับรูปนะนะอย่างอื่นๆอีกใช่จนสีมวนพอน เชิพรต้องหอมมากใช่ไหมสีแบบนี้เนี่ยสามารถบอกเลยว่ากลิ่นเป็นอย่างไรเอาอย่างนี้สมมุติว่าคนเป็นแผลนะหมอเนี่ยมองเห็นสีเฉยเฉยปั๊บเนี่ยรู้เลยว่านี่เป็นอะไรบ้างนะเขาสามารถมองแต่สีอย่างเดียวอย่างเขาตรวจเลือดอย่างนี้ก็ดูสีนะช่วยแล้วค่อยไปแยกอย่างอื่นอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมค่อยค่อยไปประกาศอย่างอื่นๆเพราะฉะนั้นสีอย่างเดียวสามารถประกาศทั้งกลิ่นก็ได้ประกาศรสนะแม่ครัวนี่มองเห็นสีปั๊บรู้เลยว่าอาหารนี่น่าทานหรือเปล่า นะสีเนี่ยประกาศโพธะะด้วยประกาศความร้อนด้วยนะสีนี่ประกาศความเย็นสีนี่ประกาศวายโยสีนี่ประกาศอาโปก็ได้นะก็คือสรุปแล้วสีอย่างเดียวเนี่ยนะทำให้รู้อีกรูปเจ็ดรูปข้างหลังนั้นแต่รูปที่เหลือรู้ทางมโนทวานนะแต่ว่าเฉพาะทางจักรคูทวานนี่รู้ได้ทางทางตาธรรมชาติของวิถีจิตนั้น จากครูทวารวิถีเกิดโดยที่ไม่มีวิถีอื่นต่อเลยไหมไ ม, ไ, ไม่ได้ใช่ไหมเอาเห็นสีหน้าที่จริงเห็นหน้าเขาสีเฉยเฉยใช่ไหมทําไมเราจึงคิดว่าไอ้เขากําลังโกรธเรานะี่ยทไมเราอย่างถึงเขาบอกว่าสีเนี่ยประกาศถึงความในหะไทยด้วยเขาว่างั้ น, นะถ้าเขาบอกว่าโอโเมื่อก่อนนี่ฟังแล้วไม่ไม่เข้าใจเลยไม่รู้เป็นอย่างไรแต่ท่านบอกว่าสีเนี่ยประกาศถึงความในหะไทยคือหมายคำว่าสีหน้าแววตาท่าทางประกาศถึง จ, จิตใจด้วย เพราะฉะนั้นอาศัยสีเนี่ยสามารถต่อให้สุทธมโนทวารวิถีเนี่ยนะรู้อารมณ์อื่นๆต่อไปอีกนะทั้งจิตและเจตสิกทํำไมเห็นหน้านึกชื่อออกเลยใช่ไหมเห็นหน้านึกถึงเสียงก็ได้เห็นหน้านึกถึงกลิ่นเห็นนึกถึงรสนึกถึงโตภตาพะนึกถึงธรรมมรมนึกถึงบัญญัติเรื่องราวได้หมดเลยอะนะั้นแต่ว่าตาเนี่ยเป็นใหญ่เฉพาะจากักรทวารวิถีส่วนถ้าวิถีอื่นๆเนี่ยนะท่าโสตทวารวิถีเขาก็จะ เป็นใหญ่เฉพาะวิถีวิถีวิถีไปแต่ถ้าทวานใจนั้นนะผวังนี่ก็เป็นมณินทรีย์ด้วยใช่ไหมเป็นใหญ่ทางชาวนะเหมือนกันนะถ้าผวังไม่มีถ้าใครไม่มีผวังคนนั้นเรียกว่านะผวังทํากิจครั้งสุดท้ายเรียกว่าจุติเลิกคิดแล้วนะเลิกคิดเลิกรับรู้ทุกอย่างแล้วไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ได้รับรู้อย่างอื่นแนละ้ววันวิถีจิตก็จะเป็นในลักษณะนี้นี่คืออินทรีย์อินรียหก เป็นสิ่งที่รับรู้โลกภายนอกด้วยคำว่านอกนอกไหนก็คือนอกนอกตานอกหูนอ ก, นอ ก, นอกจมูกนอกลิ้นนอกกายนอกใจอ่ะแต่ไม่ใช่เจตสิกนะเจตสิกนี่ก็ถือว่าภายนอกด้วยเหมือนกันเจตสิก <laughs> นี่นับเนื่องในอายตนะภายนอกนะเพราะฉะนั้นอินทรีย์เหล่านี้เนี่ยนะเป็นอินทรีย์ที่รับแล้วอินทรีย์ที่ อีกอย่างหนึ่งก็คืออินทรีย์ที่หล่อเลี้ยงรักษาอินทรีย์เหล่านี้ไม่ให้ตายคือชีวิตอินทรีนะชีวิตอินทรีย์นั้นรักษาชีวิตรูปนะรักษาอะไรรักษารูปอินทรีย์ชีวิตตนามรักษานามอินทรีย์แต่อินทรีย์เหล่านั้นเนี่ยมีเพศด้วยนอะอินทรีย์นั้นแล้วว่าแต่ว่ า, ากาอินรีย์นี่ในกลาบใกล้ๆกันนั้นก็มีอิตถินทรีย์และบริสินทรีย์ร่วมด้วย ก็จะเป็นอินทรีย์ได้ไ แ, ลแล้วนะได้ <c oughs> อินทรียเท่าไหร่แล้วะแปดนะเมื่ออินรีย์ทั้งแปดเหล่านี้เกิดขึ้นอินรีแปดคืออะไรตาหูจมูกเลิ้นกายใจหกแล้ว <c oughs> ชีวิตภาวะเก้าเก้าอินซียแล้วนะอธิบายพักเดี๋ยวนะกันนาจะจบละ <c oughs> อินรีย์เหล่านี้เนี่ยเมื่อเกิดรับกระทบปั๊บเนี่ยนะอินซีที่เสวย พอรับอารมณ์ที่ทางกายนะถ้ารับอารมณ์ที่ดีสุขขินรีก็เกิดนะเรียกอินซีที่สวยนะแล้วถ้าเจออารมณ์ที่ไม่ดีร้อนเกินไปหนาวเกินไปเย็นเกินไปพวกนี้ก็เป็นทุกขินรีก็จะเกิดนะหน้าหนาวนี่ได้ทั้งสาว อ, อินทรีย์เลยนะทั้งสุขทั้งทุกเนาะหนาวเกินไปกับทุกอีกล้อุ่นๆก็พอดีพอดีอีกนะได้ทั้งสุขขินรีและสุขขินซีเนี่ยนะสลับเค ล, ล้ากันไป ถ้าอินทรีย์ที่เหลือก็อีกอีกสามอินทรีย์คือโสมนัสสินทรีย์เจออารมณ์เหล่านั้นนะที่ดีน่าปรารถนาน่าใคร่หน้าพอใจส่วนใหญ่ก็เป็นโสมนัสอารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาไม่น่าใคร่ไม่น่าพอใจก็เป็นโทมนัสถ้าอารมณ์ธรรมดาก็เป็นอุเบกขาเมื่ออินทรีย์เหล่านี้นะอินทรีย์คือตาหูจมูกเลิ้นกายใจมากระทบกับอายตนะภายนอกเข้า อินทรีย์ที่ทำหน้าที่สเวยอารมณ์ก็จะเกิดขึ้นนะเป็นใหญ่ในการรับเขาเป็นใหญ่ในการรับรู้อาศัยอินทรีย์เนี่ยเป็นใหญ่เจนทอนทีนี้อินทรีย์เหล่านี้เนี่ยนะส่วนใหญ่เป็นวิบากและกรรมชรูปตาเป็นกรรมชรูปหูจมูกเลนกายเป็นกรรมชรูปมนินทรีย์นี่ส่วนใหญ่เน้นไปที่ วิบากจิตนะเน้นไปที่วิบากจิต ส, ส่วนใหญ่นะเพราะฉะนั้นเมื่ออินทรีย์เหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยนะบุคคลอาศัยสัตทินทรีย์ศรัทธาในพระพุทธเจ้าผู้เป็นใหญ่ประกาศถึงอินทรีย์เหล่านีา้ประกาศว่าไงประกาศว่าอินทรีย์เมื่อบุคคลไม่รักษานำมาซึ่งโทษใช่ไหมประกาศว่าอินทรีย์เหล่านี้เมื่อบุคคลรักษานำมาซึ่งประโยชน์อินทรีย์เหล่านี้สังวรได้อย่างไร อินทรีทั้งหนี้สังวรด้วยสติสังวรด้วยสติใช่ไหมสเินรีย์ก็จะเข้ามาทําหน้าที่ปิดกั้นแต่ชั้นต้นเลยก็ต้องอาศัยศรัทธาในคําสอนของภาษาสดาคําสอนว่าอินทรีย์เหล่านี้ทั้งหมดเป็นสัจจะไหม <Okay. S 1> เป็นทุกขสัตว์นะเป็นทุกขสัตว์ส่วนใหญ่แล้วอินทรีย์เหล่านี้เป็นชาติวิบากใช่ไหมวิบากและกรรมาชรูปเป็นผลของกรรมด้วย อาศัยอินทรีย์เหล่านี้ทำให้ทำกรรมใหม่บุคคลมีศรัทธาในพระตระตรายเป็นต้นก็ทำให้เกิดวิริยินทรีย์ขึ้นใช่ไหมเออนี่นะถ้าเราคืนปล่อยชีวิตให้ไหลไปกับอินทรีย์เหล่านี้ถ้าไม่สังวรไม่ระวังนะโทษภัยต่างๆก็จะเกิดขึ้นนะเพียรพยายามอย่างไรที่จะให้อินทรีย์เหล่านี้เนี่ยเกิดการคุ้มครองระมัดระวังปล่อยใจไม่ให้เป็นบาป เมื่อตาเห็นหูได้ยินเป็นต้นอันนั้นเป็นกิจของวิริยนี์พยายามอาวิรยะจะมีผลมากมีอนิสงฆ์มากคนนั้นจะต้องมีสตินะคํหนึ่งถึงทั้งหมดเลยว่าถ้ารักษากับไม่รักษานเนี่ยเป็นอย่างไรมีโทษหรือไม่มีโทษนะถ้าเห็นแล้วถือโดยนิมิตอนุพยัญชนะมีโทษขนาดไหนถ้าเห็นแล้วไม่ถือเนี่ยมีอนิสงฆ์มากมายขนาดไหนอันนั้นเป็นกิจของสติใช่ห เสรแล้วสติเหล่านี้จะมีผลมากก็มีส่วนอาศัยสมาธินะสติจะตั้งมั่นนะที่จะพิจารณ์ที่จะร ะ, ะ, ะ, ะลึกถึงคุณโทษเป็นต้นได้ดีก็ต้องอาศัยสมาธินะศีลอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากปัญญาอันสมาธิอบรมแล้ว ย่อมมีผลมากมีอนิสงส์มากจิตอันปัญญาอบรมแล้วย่อมหลุดพ้นแม้จากกามาสะวะภวาสะวะทิฏฐาสะวะและอวิชชาสะวะนะเพราะฉะนั้นเมื่อ อ, อินทรีห้าบุคคลเข้าไปปฏิบัติในอินทรีที่เหลือนะอินทรีก่อนหน้านั้นใช่อาศัยศรัทธาวิรยิยสติสมาธิและปัญญามาปฏิบัติในอินทรีเหล่านั้น ควรปฏิบัติกาอินทีย์เหล่านี้ด้วยอินทรีย์ห้านะอินทรีย์ที่เป็นสายทุกษัาสตร์กับสมุทรยศัตร์ก็คือตั้งแต่จักขุนศีจนถึงอุเบกขินศีอันนี้นะถ้าบอกว่าโสมนัศสศีเ น, นี่ยนะเป็นรหัสบอกอะไรรู้ไหมโสมนัสเนี่ยเป็นเครื่องบ่งบอกถึงอะไรรู้โลภะนเพราะโลภะส่วนใหญ่จะเกิดร่วมกับโสมนัส นะเพราะว่าอย่างไรก็ตามถ้ากล่าวถึงโลภะปั๊บเนี่ยนะโลภะก็เกิดร่วมกับมหากุศลและและโลภะหรืออากุศสนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าพูดโสมนัสปึ๊บขอให้รู้เถอว่าขณะนั้นได้กำลังกล่าวถึงโลภะอยู่อะไรเป็นโทษของกรรมอ ะ, อะไรเป็นอัาธะของกรรมสุโสมนัสอันใดที่อาศัยกรรมเกิดขึ้นอันนั้นคือคุณหรืออัาธะของกรม การกล่าวถึงอัสาทะเรียกว่าประกาศสมุทยสัตว์สิ่งเหล่านี้มีโทษไหมเที่ยงไหมมีโทษหรือเปล่านะตามีโทษไหมตาเที่ยงหรือไม่เที่ยงนะเพราะการประกาศโทษทั้งหมดเหล่านี้เป็นสาจาัจจะไหมเป็นเป็นสาจาัจจะไหนตัวตาเป็นสัจจะไหนเป็นทะุกขสัจบุคคลจะสลัดออกจากอินทรีย์เหล่านี้ได้ต่อเมื่อปฏิบัติในศรัทธาเป็นต้น ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเมื่อบุคคลเจริญบริบูรณ์ระดับหนึ่งก็จะเกิดปัญญาที่เกิดร่วมกับโสดาปติมภ์เรียกว่าอนัญญตัญญสามีตินีชื่ อ, อยังจายากเลยนั่นปัญญาที่เป็นใหญ่ในการเห็นอริยสัจครั้งแรกที่ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะถ้าอินซีหลังจากนั้นมาเขาเรียกว่า อัญยินทรีนะเป็นอินทรีย์ที่รู้ตามอินทรีย์ที่เกิดเรียกว่าปัญญาที่เกิดร่วมกับโสดาปฏิมาเพราะฉะนั้นอินทรีย์ชั้นสุดท้ายเมื่อสําเร็จเป็นผ้าอรหันต์เรียบร้อยเรียกว่าอัญญาตาวินทรีนะก็คือปัญญาอีกนั่นแหละสรุปแล 22, นะ้วอินทรีย์22ิบสองนะมันถ้ากล่าวอินทรียอย่างใดอย่างหนึ่งอินทรีย์ที่เหลือเท่ากับกล่าวด้วยเพราะฉะนั้นในพระเทรคถามเมื่อกีก็กล่าวถึงวิปัสนาภูมิในประเภทหมวดว่าด้วยอินทรีย์ น, นนี้ก็เป็นภูมิของวิปัสสนาเหมือนกันบางทีก็ใช้ศัพท์ไม่ค่อยมากนะในสำนวนพระสูตรใช้ศัพท์ไม่เปลืองมากนะคำสองคํานี้ประกาศสัจจะเรียบร้อยแล้วเมือมอม่อที่ ท, ที่อ่านไปนี่นะฮะเียว่าประกาศอินทรีย์ทั้งหมดนี่นะหมายความว่าภิกษุผู้ฉลาดย่อมกําจัดอินทรีย์ด้วยอินทรีย์นี่อันหนึ่งใช่ไหมครับ ออกำจัดอินทรีย์คําว่าอินทรีย์ตัวแรกนะครับจกขุณรีโสตินทรียคารินรีย์ชิวหินทรียกาญยินทรียและมนอินทรีย์ครับกำจัดอินทรีย์เหล่านี้ด้วยสัตทินรีวิริ état, สัตทิน C, รียวิริยินทรีย์สตินทรีสมาทินรียและตันยินทรียเอาอินรีย์ที่เป็นกุศลเนี่ยนะคำว่ากำจัดในที่นี้ไม่ได้ไปทิ่มตาให้บอดหรอกรแต่หมายถึงกำจัดด้วยตะทางฆ่าประหารเป็นต้นนั่นเอง แม้แต่ว่าขั้นสังวรพวกนี้ก่อนก็เป็นการกําจัดไปถึงเป็นต ท, นทางคะถ้าใช้คําว่ากาจัดป๊บก็คือประหารนะประหานะก็คือตทางค้าประหารวิขำพนะประหารสมุเฉทประหารปฏิปัสสติประหารและนิสรณประหารถ้าบางทีท่านใช้คําว่ากําจัดหรือประหาร น, นะหรือละนั่นเอง ก, อก็แสดงว่าอ่แสดงว่าอินทรียสังวรเนี่ย ก็เริ่มเริ่มกำจัดเริ่มละแล้ ว, วเป็นแบบแต่นะทางคะใช่ไหมครับอย่างเช่นทางตาเนี่ยนะถ้าหากว่าบุคคลไม่มีสติเนี่ยนะก็จะไหลไปกับบาปเรื่อยเวลาเห็นเนี่ยนะเ<ด>พลินไปกับสีไปทีนี้การเพลิดเพลินกับสีเนี่ยมีโทษไหมนั่นแหละอ่นะถ้ายินดีกับสีมากเกินไปมีโทษไหมถ้ายินร้ายมีโทษไหมอ่านะนั่นคือกิจของสตินะสติเขาจะเป็นตัววินิจฉัยทั้งหมด เพราะฉะนั้นอาศัยสตินีนี่แหละเป็นเหมือนกับนายทวารเป็นผู้รักษาประตูนะประตูคือตานะแต่หมายถึงใช้คำว่าตาแต่หมายถึงชาวนะที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตานั่นแหละทำอย่างไรตามองเห็นชาวนะจะไม่เป็นบาปนะอันนี้นี้เราอธิบายพระสูตรคล้าเคล้ากับอภิธรรมด้วยนะเพื่อให้เห็นความสัมพันธ์กัน ก็ข้อความนท่นเลยต่อไปนิดนึงนะก็จะชัดเจนนะครับคือท่านพูดถึงว่าการใช้อินทรีย์กําจัดอินทร์สีเนี่ยนะท่านจะกล่าวว่าบุคคลผู้อบรมอบรมศรัทธานี่ก็ศรัทธินทรีย์วิริยะวิริยนย์สติสตินทรีย์สมาธินทรีย์และปัญญากําจัดอินทร์สีห้าด้วยอินทร์สีห้าแล้วก็ที่ท่านพูดเลยใช้ตัวอินทร์สีห้าเนี่ยเป็นผู้กําจัดอินทร์สีเองใช่ไหมครับเจนพาใช่ไหม อย่างบุคคลนี้อาศัยตานะสามารถที่จะเจริญศรัทธาได้อย่างไรศรัทธามีสองอย่างนะตะถาคตโพธิศรัทธากับกรรมสกตาศรัทธาเพราะฉะนั้นตถาคตเจ้าเนี่ยนะเป็นพระอาหารหันเนี่ยทรงประกาศเรื่องตาไว้อย่างไรอันนี้เป็นกิจของสัจทินสีนะฟังให้มากๆจนมีความเข้าใจายอย่างดีเลยนะว่า คําสอนว่ายังไงแล้วตาคืออะไรเนี่ยทําความเข้าใจอันนี้สองอย่างนี้ให้ดีอันนี้เป็นกิจของสัตทินรียเสร็จแล้วเมื่อฟังอย่างเข้าใจเสร็จแล้วเพียรทํำยังไงจึงจะปฏิบัติตามอย่างที่พระองค์ว่าอันนั้นเป็นกิจของวรินรีแล้วทํานี้ก็ไม่ได้ทําด้วยความเผลอเรอไม่เผลอเรอนี่เป็นชื่อของอะไรอ่าสตินะเป็นชื่อของสตินรีสา ม, มารถที่จะวิจัยไข้ค ร, ครวนะัวนว่าตามคําสอนไหม แต่ไม่ได้ทำด้วยความฟุ้งฟ้านนะทำด้วยความสงบอันนั้นเป็นกิจของสมาธิสีสงบแต่ไม่ใช่สงบหลับนะไม่ใช่นั่งคลึ้มเงียบไปแล้วเอาครนไปกรีกว่าอะไรนะเสียงครอครอไปแล้วไอ้ถ้าย่างนี้ไม่ใช่นะสงบแบบนั้นไม่ใช่นะบแบบ น, นนะ่นอนเลยต้องสงบด้วยความรู้สงบด้วยสติหรือปัญญาอันนั้นเป็นกิจของปัญญสีนะอินสีทั้งห้าอันเนี้ย ในอินทรีย์ละห้าเหล่านี้เนี่ยนะอินทรีย์ห้านี้ถ้าเกิดร่วมกับศีลเรียกว่าศีลสังวรอนินทรีย์ห้าเหล่านี้ถ้าเกิดเรียกกับอธิจิตนะว่าแล้วแต่ว่าอินทรีย์ห้านี้ไปเกิดร่วมกับอะไรอย่าลืมว่ากุศลศีลเนี่ยนะศีลอย่างเดียวเกิดเป็นญาณวิปปยุทธ์อย่างเดียวรูอเปล่าญาณสัมปยุทธ์แต่ก็มีเป็นไปกับเรื่องของศีลใช่ไหมสถมถะไม่ใช่ญาณวิปปยุทธ์นะ สมถะ ท, ที่อบรมเนี่ยเป็นญาณสัมปยุตก็มีปัญญาประกอบแต่ปัญญาไม่ได้ทํากิจของตัวเองมากนะักเศรษนี่ศรัทธาทํากิจนะศรษเนี่ยนะเฉพาะศีลสังวรเนี่ยนะศรัทธาเนี่ยทำกิจอินทรีย์สังวรสติทำทำกิจทําหน้าที่ปัจจย ส, สันนิสิตเศษเนี่ยปัญญาทํากิจอาชีวะนั้นวิริยะทํากิจนั่นแหละแต่ก็คือเรื่องเกี่ยวกับเรื่องศีล ถ้าอินทรีย์ห้าไปเกี่ยวกับเรื่องสามถะอีกนะอย่างเช่นคนอย่างที่เจริญพุทธคุณอย่างน้อยที่สุดเขาต้องมีศรัทธาแต่ถ้าไม่เพียรพยายามเนี่ยคิดได้ไม่นานหรอกต้องตั้งใจทำความตั้งใจประคับประคองอันนี้เป็นกิจของวิริยะน ะ, ะถ้าหากว่าคนหลงลืมเนี่ยเจริญได้ไม่ยากไม่มากครับเจริญแป๊บเดียวหายแล้วนะภาพพระพุทธเจ้าหายแล้วภาพคนอื่นเข้ามาแทนลขณะเปลี่ยนโปรแก ร, รมง่ายมาก นะเรื่องกักพระพุท ธ, ธเจ้าก็ไปสู่อีกเรื่องคนหนึ่งเนี่ยนะบางทีเนี่ยไปเรื่องคนอื่นไปตั้งนานนะเอา้เอาเราเวล า, า, า, าคิดเรื่องพระพุทธเจ้าอยู่นะเนี่ยไปหาคนอื่นได้ยังไงเนี่ยจะสลับได้อย่างรวดเร็วนั้นสตินี้จําต้องปรารถนาะสําแรงมากนะว่ากําลังทําอะไรอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าไม่ประมาทนะอย่างเช่นคนเข้าไปในที่ใดที่หนึ่งเรียกว่าไม่ประมาทก็คือไม่ลืมภารกิจที่ตัวเองมาทำเนี่ยนะเรียกว่าคนไม่ประมาทใช่ไหม คือเขามาผมหมายภาระอะไรให้ทำก็สามารถทำสิ่งนั้นๆอย่างลุล่วงไป ด, ด้วยดีอันนี้เรียกว่าสติแบบที่ชาวบ้านเขาคุยกันแต่สติในทางธรรมะก็คือสามารถที่จะปรารบเรื่องนั้นๆได้อะโดยที่ไม่สับสนอันนั้นเป็นกิจของสติใช่ไหมแต่เกิดร่วมกับสมาธิอะไรที่เกิดร่วมกับศีลเรียกว่าศีลสมรใช่เจ น, นิรจะาเกิดร่วมกับสมถะนก็เรียกอินรีย์มัน ก็ถ้าเกิดร่วมกับสมถะเนี่ยเรียกอินทรีย์เลยเรียกอินทรีย์ตรงๆเลยในโพจนชงนี่กล่าวว่าถ้าอินทรีย์คือศรัทธาเป็นต้นอ่อนจะไม่ได้อับปนาใ น, ในเรื่องการปรับอินทรีย์เนี่ยจะบอกไว้เลยถ้าปัญญาแก่กล้าเจริญวิปัสนาดีเขาท่านจะที่บายในลักษณะนั้นแต่ว่าอินทรีย์เหล่านี้ก็ในระดับโลกียะอยู่อินทรีย์เหล่านี้เป็นอุปนิสยัยเจริญสติเพื่อสติเจริญสติเพื่อเป็นอุปนิสัยของสติ จเจริญความเพียรเพื่อให้ได้อุปนิสัยนํามาซึ่งความเพียร น, นะเคยได้ยินนะเอาบุญไปต่อบุญน่ยเอาสติเล็กๆ เ, เนี่ยมาต่อให้มันเกิดสติใหญ่ๆชื่มไปเรื่อยๆๆพอกพูนขึ้นนะเหมือนการค้าใช่ไหมลงทุนเล็กได้มากําไรมากขึ้นเอากำไรที่มีเนี่ยไปทุ่มทุนใหม่ก็ลักษณะนี้เพิ่มพูนไปเรื่อยๆการจเจริญกุศลในเชิงอุปนิสยัยปัจจัยจะเป็นลักษณะนี้อาที่แรกศรัทธาไม่ค่อยมากหรอกอาศัยศรัทธานี่แหละเอื้อมเข้าไปศึกษาพระธรรมคําสอนเสร็จแล้ว จากศรัทธาน้อยศรัทธาก็จะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอันนี้เรียกว่าเจริญกุศลเพื่อกุศลถ้าเจริญกุศลเพื่อผลของกุศลก็อีกอย่างหนึ่งถ้าเจริญกุศลเพื่อผลของกุศลเป็นยังไงโอ้ยนี่นะถ้าบุญอันนี้ให้ให้ผลนะเราจะรวยเลยนอะเราจะเป็นในลักษณะนั้นอันนี้ก็เรียกว่าสแสวงหาผลของของกุศลนะแต่ก็ผลโดยนานาคตที่ ก, กรรมปัจจัยกลับโดยอุปนิสัยปัจจัย แต่คนที่เกิดมาปฏิสนธิด้วยไม่มีปัญญาประกอบจำต้องปรารถนาปัญญาประกอบก่อนนะถ้าไม่มีปัญญาประกอบชาติต่อไปยังไงก็ไม่ได้บรรลุธรรมท่าถ้าปฏิสนธิจิตไม่ได้ด้วยไตรเหตุนะถ้าไม่ปฏิสนธิด้วยอะโลพะอะโทสะและอโมหะอย่างไรก็ไม่ได้บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นเวลาเจริญกุศลเนี่ยนะพยายามเน้นเหตุทั้งสาตัวให้ดีเนะเพราะอยงนั้นเดี๋ยวถ้าเราเกิดชาติหน้าเกิด ไม่มีปัญญาประกอบไม่ได้บรรลุอีกนะไปเกิดทันพระศรีอานเหมือนกันแต่ว่ายาณนวิปประยุทธ์อย่างนี้อดเลยไม่ได้รตสรูท้ทาอีกเพราะฉะนั้นกุศลเนี่ยในช่วงทาเหตุเนี่ยพยายามปรารกให้ดีๆทำความเข้าใจให้ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะเจริญกุศลได้อย่างต่อเนื่องด้วยถ้ากำจัดได้แล้วนะครับ <c oughs> จะเป็นพรามผู้ไม่มีทุกนะครับทาตามคาสอนของพระพุทธเจ้า โดยประการทั้งปวงย่อมได้รับความสุขนี้หมายความว่าการกาจัดอินทรีย์าด้วยอินทรีย์าอินทรีหตัวแรกได้แก่จากขุน4เป็นต้นใช่ไหมครับเจนพาส่วนอินทรีหลังเนี่ยก็ได้แก่สัทธาวิรยะสติสมาธิปัญญาใช่ไหมครับใช้สัทธาวิรยะสติสมาธิปัญญานี่แหละกาจัดไม่ให้ตาหูจมูกเนี่ยให้มันหมดไปก็เถอะ ไม่มีชาติอีกเลยใช่ไหมยังไงครับออมองทั้งทั้งสองความหมายด้วยนะคือถ้าอินทรีย์เหล่านี้เกิดขึ้นจนถึงอริยอริยผลน่นะหรืออริยมรรคอริยผลถ้าหากว่าได้โซดาปฏิมาภพที่เจ็ดในการมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่มีเพราะฉะนั้นก็จะ ก, กำจัดอินทรีย์ที่เป็นวิบากกรรมชรูปในภพอื่นๆด้วยนะนั่นก็อีกในหนึ่ง แต่ก็กำจัดกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ด้วยในหนึ่งเพราะกิเลสเป็นเหตุแห่งกรรมกรรมก็เป็นเหตุแห่งวิบากในพบต่อๆไปแต่ถ้า ล, ลักษณะพระสูตรนี้เมื่อกี้เนี่ยนะท่านบอกว่าเป็นพราหมณ์พรามเป็นชื่อของพระอรหันต์นะเพราะฉะนั้นคําว่าศรัท ธ, ธาวิริยสติสมาธิเป็นต้นเนี่ยนะเกิดร่วมกับจิตโดยที่สุดแม้นัยอรหันตผลลจิตเพราะฉะนั้นศรัท ธ, ธาเป็นต้นเนี่ยนะเกิดร่วมกับโสพนธรรมเราะะั้น ธรรมะเหล่านี้นะฝ่ายดีเนี่ยเท่ากับพูดจบหมดเรียบร้อยแล้วนะทั้งมหากุศลด้วยมหาคตากุศลด้วยและโลกุตระกกุศลด้วยโดยมากนะครับในในพระสูตรนี่นะครับมักจะกล่าวถึงยานขั้นงสูงทั้งนั้นเลยคือแหมอยู่ใกล้ชิดภาษาสดานะมานั่งเตาะแตะเตาะแตะมัม่งนะก็มลยอยู่นะ อยู่ใกล้ๆภาษาสดาเอะนามเป็นยังไงๆๆ <uld nov io> แล้วละอินซีหกอ่ที่ที่ว่า 5, อินซีห้าษายอินซีห้ากำจัดอินซีห้าซีห้าอันหลังนี่คือจ่าหูจมูกเลี้งกายใจไม่ไม่ต้องอ๋อเอาด้วยใจอะตัวดีเลยนั่นชหมมั น, ม, นมันก็เป็นหแต่ส่วนใหญ่คืออินซีในสายใจเนี่ยนะมีทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีเพราะฉะนั้นท่านเน้นทวารห้า ถ้าทวารห้ารักษาได้คุ้มครองได้ทวารใจก็เท่ากับคุ้มครองได้ไดน ะ, ะยกตัวอย่างเช่นถ้าวันวันหนึ่งนะถ้าเราไม่เพลินไปทางตาทางอายตนะทั้ง5้าเลยนะวันนั้นๆเราจะรักษาจิตได้อย่างสงบนะแต่ถ้าเผลอไปดูบางอย่างเนี่ยนะชั่วโมงหนึ่งแค่นั้นแหละหวันนั้นเครียดทั้งวันก็ไดนะ้ไปฟังบางอย่างเข้าเนี่ยนะบางคำเท่านั้นแหละนั่งทุกสาวันก็ยังคิดไม่ตกเลย อย่างเช่นการงานบางอย่างเนี่ยนะฟังคําเดียวแค่นั้นแนหะแก่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราสามารถที่จะสังวร น, นะเวลากระทบตาเป็นต้นนั้นะตามองเห็นสามารถที่จะเจริญกุศลได้หูได้ยินเสียงสามารถที่จะเจริญกุศลได้นะก็เท่ากับว่าชื่อว่ารักษาจ่ายแล้วด้วยในขณะนั้นนั้นแต่อย่าเลิมนะข้อปฏิบัติต่ตางๆเหล่านี้ถ้าผู้ที่ศึกษา คัมภีร์ตามแนววิสุทธิมรรคเป็นต้นเนี่ยอย่างไรก็ตามการปฏิบัติอย่างนี้เท่ากับเป็นการแสดงรถเจ็ดผลัดโดยย่อนะอย่างไรก็ตามการบรรลุเป็นพระอรหันต์อย่างไรก็ไม่พ้นจากวิสุธทธิเจอย่างแน่นอนนั่นแหละเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยนะท่านจะกล่าวกระโดดนะพูดธรรมดาเสร็จแล้วไปขึ้นอรหันตมรรคเลยเพราะพระองค์นี้ถ้าเป็นพระพุทธพจน์นะพระองค์จะรู้อัธยาศัย ของของสัตว์ว่าขณะนี้ควรประกาศคานี้ควรประกาศคำนี้รระ น, น, นะถ้าเขาสมาธินีแน่นอยู่แล้วเนี่ยไม่รู้จะพูดทำอะไรสมาธิใช่ก็ไปเสริมเฉพาะทิศที่เขาไม่มีนะเพราะภาษาสดานี้เป็นโลกวิทูพระองค์มีอาสยานุนสยะายานหรืออัธยาศัยของสัตว์นนะเพราะพระสูตรบางสูตรนะที่แสดงสมบูรณ์แบบก็ไม่มากนะักนะที่แสดงแบบย่อๆเนี่ยมีมากกว่า เพราะฉะนั้นสูตรที่แสดงบริบูรณ์เลยคือทีคณิกรนะสูตรที่เหลือนี่นะอย่างสังยุตตะนิกา์นี่ยนะเจ็ดันกว่าสูตรอังคุตรนิกาย9 00ากว่าสูตรนี่นะแสดงยอ่อๆบางสูตรบรรทัดเดียวอย่างไงโอ้แต่บรรทัดเดียวเนี่ยเอาไปคิดตามเถอะเพราะเวลาที่บายต้องเอาทีคณิกายมาที่บายสูตรสั้นๆนั้นแต่ในพระสูตรนี้ตอนตอน้ตนๆจะพูดถึงเรื่องอินทร์ธรรมดา อ, อินทีย์คือตารกา ร, าการสังวรการสังวรนี้ใช่เป็นติเพราะว่าได้กล่าวถึงรูปรสกลิ่นเสียงนี่นะฮะโพธภะของหญิงย่อมต้องประสบทุกมีประการต่างๆกระแสตันหาในหญิงถ้าพวงย่อมไหลไปในทวารทั้งห้าของบุรุษมานี่พูดไวชัดเจนเลยใ น, ในเอกานิบาตอังคุตรนิกายเนี่ยนะยกเป็นเรื่องแรกเลยนะยกความสาคัญของของรูปเสียงเปลี่ยนรสและโพธพะของนะถ้าชายก็พูดถึง องหญิงถ้าหญิงก็พูดถึงของชายเนี่ยนะมาเป็นความสําคัญอันดับหนึ่งเลยของของอังคุตรนิกรนันะนะนะซึ่งซึ่งมีความสําคัญมากเพราะว่าถ้าสังวรในอารมณ์นั้นๆได้แล้วนี้ก็ไม่มีอย่างอื่นที่สังวรไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่ค่อนข้างใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะคือเรื่องเป็นไปกับกามมาคุณทั้งห้านี่แหละเาั้นกรมคุณห้าของฝ่ายตรงข้ามนี่นะเป็นที่ประทับใจของฝ่ายตรงข้ามมากที่สุดนะ องค์บอกว่าไม่มีรูปอะไรที่จะเนระียกว่าประทับใจตรึงใจบุรุษเท่ากับรูปของสตรีแต่ก็ไม่มีรูปอะไรที่จะประทับตระระะปทัตาตรึงใจของสตรีเท่ากับรูปของบุรุษอีกนั่นแหละแต่ว่าไอคนที่ไม่ประทับใจก็มีแต่ว่ามันน้อยนะส่วนใหญ่ก็จะต้องมีในฝันอย่างใดอย่างหนึ่งนะคนใดคนหนึ่งอยู่ในในความคิดนั้นๆเสียงก็เหมือนกันนะนนก็ไม่มีเสียงใดที่จะประทับใจบุรุษตรึงใจบุรุษเท่ากับเสียงของ สตรีนะคิดดูพระนันธาเนี่ยนะต้องโหบวชอยู่วันๆ น, นี่คิดว่าจิตใจนี่หงุดหงิดอยู่ทุกวันเลยนะก็พระลูกเจ้าเรียบกลับมานะเนี่ยอันคําบางคําเนี่ยนะโอ้ยไม่สงบเลยเจ็ดวันแนละ้วก็ยังไม่สงบนะกล้องอยู่นั่นแหละมันไม่มีเสียงอะไรที่จะประทับใจของสตรีเท่ากับบุรุษอย่างเช่นคําบางคําที่เขามาให้ความหวังนี่นั่งฝันหวานอยูนะ่นั่นแหละอันในใ น, ในอารมณ์ทั้งห้านะถ้าบุคคลสามารถที่จะ ไปเกี่ยวข้องกับตามองเห็นหูได้ยินแล้วเจริญศีลสังวรเป็นต้นได้นะเมื่อตามองเห็นสามารถที่จะเจริญสีลสังวรสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรและวิริยะสังวรได้ในขณะที่ตามองเห็นหูได้ยินเป็นต้นได้เขาก็สามารถศึกษาคำสอนในพระศาสนานี้ได้เพราะคำสอนในพระศาสนานี้คืออย่างไรเราก็เห็นอยู่แล้ว ทำอางสังวรเหล่านี้จึงจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคำสอนทั้งหมดในพระไตรปิฎกก็คืออุบายเพื่อให้สังวรเหล่านี้เกิดขึ้นทำอย่างไรมองเห็นสีละสังวรจึงจะเกิดทำอย่างไรมองเห็นสติสังวรจึงจะเกิดทำอย่างไรตามองเห็นเนี่ยนะานะสังวรจึงจะเกิดขันติสังวรจึงจะเกิดวิริยะสังวรจึงจะเกิด น, น, นพระ อ, องค์ก็พยายามหาอุบายต่างๆนะด้วยพระมหกากรุณาธิคุณเนี่ยก็แสดงนะ ถ้าหากว่าบางคนต้องใช้พยัญชนะวิจิตพระองค์ก็แสดงโดยพยัญชนะวิจิตนะถ้าบางคนชอบแบบย่อๆพระองค์ก็แสดงแบบยอ่อนะเพราะพระองค์นี้มีอาสานุสยายญาณสามารถที่จะยังรู้อัธยาศัยของสัตว์ได้ทั้งหมดนะถ้ากลุ่มนี้เนี่ยโหถ้าพูดเรื่องศีลเนี่ยเขาชอบมากพระองค์ก็แสดงเรื่องศีลไปกลุ่มนี้หนักเรื่องสมาธิพระองค์ก็แสดงสมาธิไปนะพระองค์นี้ยังรู้อัธยาศัย ทันอย่างพระสูตรนี้เนี่ยแสดงว่าพระรูปนี้ท่านเน้นเรื่องสังวรห้ามมากนะคือแสดงว่ากุศลธรรมส่วนนี้ท่านร่วมมา ก, กว่างั้นเอแต่ถ้าอุดอันนี้ได้ซะที่เหลือก็สบายนะในอัตรกาถาจารย์ท่านเน้นได้อีกนะท่านบอกว่าสมมติว่าถ้าสังวรทางทางหูเนี่ยนะเสียงเสียงอะไรมา้างหมายพูดไว้ละเอียดมากเลยนะเสียงที่เกี่ยวกับเสียงจากสตรีนะเสียงขับร้อง เสียงพูดเสียงหัวเราะนะเสียงร้องไห้ของหญิงนะเสียงผ้าที่ผู้หญิงนุ่งหมเนี่ยนะนี่ก็เป็นต้องสังวรนะาละเอียดขนาดนั้นนะครับเจนทอนเพราะฉะนั้นนะเสียงเครื่องประดับที่หญิงประดับบางทีได้ยินเสียงประดับในะผู้ชายเกิดก็อกดกไอรเกิดอักขุสรนุนกันนะเจนทอน ห, หญิงเปิดเครื่องประดับเสียงขลุยพิน สังบันดาะเป็นต้นที่สำเร็จด้วยประโยคะของหญิงคือผู้หญิงมาดีดพินนี่หมาเสียงพินนี่ทำให้เกิดอกุศลได้เหมือนกันนะท่านต้องระวังหน่อยนะเนี่ยเสียงทั้งหมดนั่นแหะพึงทราบว่าฉุดคร่าเอาจิตของบุรุษมาจะเห็นว่าในอัธกถานี่นะหูท่านละเอียดละออมมากเลยแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยแต่ถ้าหากว่า อากุศลจิตเหล่านี้เกิดขึ้นนะถึงกับว่านิวรณ์เกิดขึ้นปั๊บเนี่ยศรัทธาก็ไม่มีแล้วนะไม่คิดถึงพระพุทธเจ้าแล้วะไปบินทาบาทนึกถึงแต่คนสายบาทอย่างเงี้ยสมมตินะตัวอย่างคําสอนทั้งหมดลืมหมดเลยบริกรรมนะที่เป็นอุเทศปริปุจชานะพระไตรปิฎกอัตกาถาเนี่ยลืมหมดเลยไปคุยยังไงกับเขาดี้ะเนี้ยแ <c oughs> <c oughs> จ, จะเหลือแต่คําพวกนั้นละมันตรงกันข้ามหมดเลย เพราะฉะนั้นนิวรณ์ห้าเนี่ยมาเกย์คุณธริีบอกว่า<ม>ในพระไตรปิฎกบอกว่าทําทปัญญาให้ทุรพลนั่นแหะปกตินี้คนเนี่ยฉลาดมากนะแต่ถ้ากา ม, มาฉันท่านนิวรณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะกลายเป็นคนปัญญาอ่อนไปเลยคนบางคนหัวดีมากสติปัญญามองการไกลออกหมดเลยแต่ถ้าโทสะเกิดเพบเนี่ยถูกตัดหมดแล้ปัญญาเนี่ยหายหมดฉลาดมากแต่เกิดง่วงนอนอย่างไงเข้านะซึมเนี่ยฮะ ถีนมิท่าก็ทําให้ปัญญาทุรพลนะหรือมีมีปัญญามากแต่เกิดอุทธจักกุกุจักกลุ่มรุมเล่นงานอยู่อันนี้ก็ทําให้ปัญญาทุรพลหัวดีฉลาดแต่ด้านสงสัยอย่างนี้นะหมดกันเลยนะเพราะฉะนั้นนิวรนพวกทั้งหมดเนี่ยทาให้ปัญญาทุรพลอันถ้าหากว่าตัวใดตัวหนึ่งเข้ามาเท่านั้นแหละนิวรก็คืออกุศลนั่นแหละสรุปแล้วถ้าโลภเกิดก็เสียหายนะ โสะเกิดก็เสียหายโมหะเกิดก็เสียหายนะกุศลธรรมแทนที่จะงอกงามไพยบูนพ่อพูนก็ไม่งอกละไม่เจริญละนะอารามณะปัจจัยนี่คืออะไรเอ่ยันนี้ก็มีอารามณะปัจจัยอยู่อย่างเดียวนะตันหาวินิจฉัยก็จะเข้ามาแล้วนะทิฏฐิวินิจฉัยก็จะเข้ามาอาศัยตันหาทำให้เกิดการสแสวงหาเพราะอาศัยการสแสวงหาจึงเกิดลา เกิดการได้นะลาะคือการได้อาศัยการได้ทำให้เกิดการวินิจฉัยอันไหนดีกว่าอันไหนอาศัยการวินิจฉัยก็ทำให้เกิดการตกลงใจนะอาศัยเกิดการตกลงใจก็ทำให้เกิดการห่วงแหนการดูแลการรักษาเกิดการทะเลาะวิวาทการถือไม้ค้อนก้อนดินเป็นต้นเนี่ยนะเพื่อที่จะดูแลรักษาทรัพย์ทำให้เกิดคาด่าขึ้น พูดคำหยาบพูดโกหกเป็นต้นเนี่ยก็จะติดตามมาเป็นต้นรวนไปหมดอันบาปประทำอกุศลทั้งหมดก็มีตันหาเป็นเป็นมูลนะมีตันหาเป็นมูลอันตันหาอย่างเดียวเนี่ยนะมีพระรูปหนึ่งเนี่ยท่านท่านมีทรัพย์อยู่หน่อยหนึ่งประมาณสมมุตินะประมาณร้อยหนึ่งท่านก็บวชแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยโอยทุกมากนี่ทำไงเนาพระองค์เนี่ยรู้ว่าพิสูจน์เนี่ยกสันอยากสึกนะเพราะอาศัยทรัพย์นั่นแหละ พองก็เลยบอกเอาก้อนกรวดมานั่งนับดูว่าเออทรัพย์เท่านี้จะเอาไปทําอะไรนะอันนี้ก็มาแบ่งเออทำอันนี้อันนี้ไปซื้ออันนั้นไปซื้อนั่นนะคิดไปคิดมามันก็หมดเหมือนกันนั่นแหละแต่ก็ไม่เหมือนในในจิตตวรทย์นะอ่าที่ที่สมมเนธติดพระติสานะที่ถือตละปักตีหัวอุปชาอันนั้นกันหนักเลยนะเพราะการปล่อยจิตนั่นแหละใช่ไหมอ่าที่ที่ว่า ท่านเนี่ยไปจำพรรษาอยู่ในในชนบทแล้วเข้ามาในเมืองอะนะได้ผ้ามาแปดเก้าสองเนี่ยเสร็จแล้วก็จะเอามาถวายอุปชาบอกอาจารย์ครับผมถวายผ้านี่ท่านก็บอกว่อของฉันมีเยอะแล้วเธอเอาไว้ใช้เถอะพระรูปนี้ก็สีใจโอ้ยท่านเป็นทั้งหลวงลุงของเราด้วยเป็นทั้งอุปชาย์น่าจะใช้ผ้าให้เราหน่อยเฮ้ยท่านไม่ใช้ให้เราเราก็ไม่รู้จะบวชอยู่ทําไมศึกดีกว่าอันนี้ก็วางแผนแต่อไปศึ ก, กจะไปทํำยังไงดี อผ้าผืนนี้ถ้าไปขายนะจะได้เท่านี้บาทอนยะ่งนั้นฮทขายนะเออไปทำการค่าอะไรลงทุนอะไรไปซื้อแพะตัวหนึ่งก็ว่าธรรมดาแพะนี่มันออกลูกเร็วนก็ซื้อแพะมาก็แต่แพะออกลูกนะนะก็เริ่มสร้างบ้านละนะเริ่มสร้างบ้านเมื่อมีบ้านก็มีแม่บ้านเสร็จแล้วก็ได้ลูกคนหนึ่งนะมือก็พับไปใจก็คิดวางแผนนั้นะมีครอบครัวมีลูกแล้วเออพาลูกไปเยี่ยมอุปชาอ่างนั้นนะ สพาลูกไปเยี่ยมอุปชาเสร็จแล้วนะก็ตัวเองก็ขับรถเมียก็อุ้มลูกเหมือนกันมีรถน้อยๆมาด้วยนะเสร็จแล้วก็บอกเออเธอสองลูกไม้ฉันอุ้มบ้างอเมียก็ไม่ยอมเหมือนกันเออขับรถไปเถอะทีนี้เมียเนี่ยเผลอลูกก็ตกลงไปรถก็เหยียบนะคิดทั้งว่ารถเนี่ยเหยียบก็เอาเอาปาตักเนี่ยนะที่ที่ขับ รถเนี่ยตีเมียเลยพุว้วไปไปหัวอุปชาเนี่ยเลยเสร็จแล้วเพราะก็บอกว่าพระพระอุปชานี่เป็นพระอรหันต์นะกำหนดรูปวรรจิตเลยพับ อ, อ๋อบอกว่าโหยโกรธผู้หญิงมาตีหัวพระแก่ท่านไาพระรูปนี้อ้าจริงๆก็วิ่งหนีเลยนะก็เอาไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะพิษสุก็ช่วยกันจับไปเฝ้าพระพุทธเจ้านะ เออบวชเข้ามาเนี่ยนะแทนที่จะให้เขาเรียกว่าพระโสดาพระสกท า, าแต่ให้เรียกว่าพราะกระสันอย่างเงี้ยเสร็จแล้วก็บอกว่าพราะองค์ก็เลยสอนให้ระวังรักษาจิตอย่างั้นแะองค์ก็สอนนะระวังรักษาความคิดนะแต่คําว่าสังวรก็คือสังบรฮ่าทาอย่างไรจิตอันนั้นจึงจะเป็นไปกับศีลสังวรใช่ไหมทำอย่างไรจิตนั้นจะเป็นไปกับสติสังวรญาณสังวรขันติสังวรและ วิริยะสังวรเมื่อบุคคลมีสังวรห้าที่เป็นไตกับจิตก็สามารถที่จะพ้นจากกองทุกได้แต่ตอนหลังพิสูรร่วมนี้ก็เป็นผ้าหันเหมือนกัน <laughs> แต่เสียวเกินนะหวาดเดียวมาก่ะนะพอฟังเรื่องนี้แล้วก็คงไม่ค <laughs> ่อยโกรธแล้วนะ มาดูเรื่องของการเจริญพรหมิหารต่อหน่อยนะในหน้าสิบสองกล่าวถึงอุบายในการระ ง, งับความโกรธนะถ้าหากว่าโกรธขึ้นแล้วนะถ้าสอนใจเป็นนะถ้าสอนตัวเป็นได้นี่ก็ถือว่ามีความสามารถอย่างเก่งแล้วนะวิธีสอนใจไม่ให้โกรธ หมวดที่หนึ่งะฮะวิธีแรกก็คือให้ระลึกถึงโอวาทของพระศาสดานะระลึกถึงพระพุทธพจน์ที่พระผู้มีพระภาคทรงประทานโอวาททรงแนะนำวิธีการระ ง, งับโทสะโดยประการต่างๆนึกถึงพระสูตรต่างๆที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกมาเพื่อเป็นโอวาทเตือนจิตไม่ให้โทสะเกิดขึ้นวิธีที่สองคือให้หา ความดีของของคนที่เราโกรธนะบอกเขาก็มีดีบ้างนั่นแหละส่วนใดส่วนหนึ่งเขาไม่ดีทางกายกว่าดีทางวาจานั่นแหละทำไม่ดีทางวาจากว่าดีทางใจนะถ้าเขาชั่วบริสุทธิ์เลยนะบาปทางกายวาจาและใจก่อนนึกถึงสงสารเขาเธอเขาก็มีชีวิตเดินได้แต่ว่าตายไปก็ไปสู่อบายทุกขติวินิบาตนารกนั่นแหละนะให้เจริญกรุณาไปอันนี้ก็คือวิธีที่สองในการระงับความโกรธ นะถ้าเราเกิดโกรธไม่ชอบใครสักคนหนึ่งแต่ถ้าหากว่าไอ้นึกถึง2ข้อแรกก็ไม่ระ ง, งับเลยนะมีกำลังอะ่ะทำไงก็ให้ระลึกถึงการสอนตัวเองต้องรู้จักสอนตัวเองนะสอนตัวเองโดยแนะนำตัวเองโดยวิธีการต่างๆทั้ง10วิธีนะเรียกว่ากุสโลบาย10อย่างในการสอนจิตเตือนใจของเราเองไม่ให้เป็น บาปเป็นอกุศลทีนี้มาดูวิธีที่สนะว่าจะทำอย่างไรที่โทสะจริงจะไม่เกิดวิธีที่สี่ก็คือให้พิจารณาเรื่องเรื่องกรรมกรรมมักตาว่าสัตว์ทั้งหลายนี้มีกรรมเป็นของของตนนะท่านบอกว่าก็หากว่าเมื่อเธอแม้จะสั่งสอนตนอยู่อย่างนี้ปฏิฆะก็ยังไม่สงบซจโอ้โหโกรธจริงๆเลยนะ ขนาดให้อวาดแนะนำตัวเองนะไปตั้งหลายหน้าแล้วก็ยังไม่ระงับความโกรธเลยท่านก็บอกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นเธอควรพิจารณาถึงภาวะที่ตนและคนอื่นเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนเธอเขาก็มาด้วยกรรมของเขาเราก็มาด้วยกรรมของเร า, าวิธีวิธีแนะนำนี้วิธีพิจารณาเรื่องกรรมพิจารณาอย่างไร ในข้อนั้นเธอควรพิจารณาถึงภาวะที่ตนเองเป็นผู้มีกรรมเป็นของตนก่อนอตัวเราเนี่ยนะมาด้วยกรรมของเรานะแนะนำว่ายังไงบอกว่าแน่พ่อมหาจําเริญนะคุยกับตัวเองดีๆหน่อยนะแนะ่พ่อมหาจาเริญนะเราก็แม่แม่มหาจาเริญเหมือนกันเะจ้าโกรธเขาแล้วเจ้าจะทำอะไรได้นะโกรธเขาจะไปทำอะไรกับเขา กรรมที่มีโทษะเป็นเหตุนี้จักเป็นไปเพื่อความชีพหายแก่ตัวเจ้านั่นเองไม่ใช่หรือนะถ้าโกรธเนี่ยใครบาปนะใครเสียหายใครโกรธก็ความโกรธเนี่ยย่อมทําให้จิตเนี่ยมันมืดไปหมดเลยบอกแล้วภัยที่เกิดจากความโกรธเนี่ยนะคนโกรธก็จะไม่รู้สึกภัยเหล่านั้นใครได้รับก็ก็คนโกรธนั่นแหละมันใครอ่ะเป็นคนสร้างทุกข์ให้แกตัวเองใช่ไหม สร้างความชีพหายวังนั้นเถอะชีบหายทั้งโลกนี้โลกหน้าชีพหายจากประโยชน์ทั้งหมดเลยขณะที่โทสะเกิดขึ้นนะต้องไม่ลืมนะว่าถ้าโกรธเกิดขึ้นศรัทธาก็ไม่มีวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นไม่เกิดสักอย่างเลยนะนะเคยฉลาดเคยมีสติปัญญาแลลึกนึกถึงพระธรรมคําสอนในตั้งมากมายพอโทสะเกิดขึ้นมาปั๊บหายไปไหนหมดก็ไม่รู้แล้วก็แนะนําต่อไปว่าก็ตัวเจ้าเป็นผู้มีกรรมเป็นของตอนนะ เป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นที่อาศัยจักกระทากรรมใดไว้ก็จะเป็นทายาทแห่งกรรมนั้นกรรมคืออะไรเนี่ยกรรมก็คือเจตนาคำว่ากรรมนี้มีหลายแห่งนะมีหลายความหมายหลายองค์ธรรมนะถ้าในกรรมบดเนี่ยนะเจตนาเนี่ยเป็นกรรมทางกายและทางวาจาส่วนมโนกรรมนั้นโทสะเป็นเป็นกรรมอภิชาเป็น กรรมมิจฉาทิฐิเป็นกรรมนะอันนั้นเป็นมนโนกรรมนะองค์ธรรมสามตัวเป็นมนโนกรรมเจตนาที่เป็นไปทางกายวาจาเรียกว่ากายกรรมและวจีกรรมส่วนมนโนกรรมได้แก่อภิชาพยาบาทและมิจฉาทิฐิอันนั้นก็เป็นเป็นกรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าโกรธนะผลของความโกรธเป็นยังไงใครรับ นะเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นที่อาศัยทำกรรมอะไรไว้ก็จะสมควรแก่การกระทานั่นแหละแต่ว่ากรรมนี้กรรมของเจ้านี้สามารถที่จะทำพระสัมมาสัมโพธิญาณให้สาเร็จก็หาได้ไหมเออโกรธนี่นะสามารถทำให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมสิ่งที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าคือเพื่ออะไรเรียกว่าพุทธการกธรรมธรรมที่ทาให้เป็นพระพุทธเจ้ามีบารมี นะบารมีมีเท่าไหรสามสิบทัศนะเป็นบารมีธรรมดาสิบอุปบารมีเนี่ยสิยปรมัาภิปรมีอีกสิบนะบารมี30สิบทัศบริจาคห้าบริจาคทรัพย์บริจาค ร, ร, ราชสมบัติบริจาคชีวิตนะบริจาคบุตรภรรยาแล้วก็ประพฤติบุพพจริยานะโลกัตทจริยายาติทจริยา แล้วก็ใช้เวลายาวนานนะแล้วก็สา ม, มารถที่จะทําให้บรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถ้าโทสะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นทานบารมีไหมมีสักข้อหรือเปล่านะจะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะโทสะมีหรือเปล่าเออเมื่อโทสะเกิดขึ้นเป็นศีลบารมีทําให้เป็นพระพุทธเจ้าได้ไหมโทสะเกิดขึ้นทําให้ได้เนคข ม, มะบารมีโทสะเกิดขึ้นมีปัญญาบารมีเลย โทสะเกิดขึ้นเป็นวิริยะบารมีขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเบกขาเป็นบารมีสักข้อไหมโทสะเกิดขึ้นมหาบริจาคห้าเกิดไหมโลกัทะจริญเนี่ยนะเพื่อประโยชน์แก่โลกหรือทําลายโลกกันแน่การโทรสะเกิดขึ้นเนี่ยนะไม่ได้ทําเป็นปัจจัยให้ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยอันนี้ก็เป็นโอวาสําหรับอาจจะคนที่ปรารถนาโพธิญาณหรือว่า อาจจะเอาอุทาหรณ์ของการปรารถนาโพธิญาณเป็นเป็นวิธีการในการระ ง, งับโทสะก็ได้นะเออโทสะที่มันเกิดขึ้นเนี่ยทาพระปัจเจกโพธิญาณให้สําเร็จก็หาได้ไหมใช่ไหมเป็นไปได้ไหมโกรธเกิดขึ้นเนี่ยนะคนโกรธจะบรรลุเป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเพราะความโกรธเป็นเชื้อเป็นเหตุปัจจัยเนี่ยไม่มีรอกนั่นนะสา ม, มารถที่จะทําสาว ก, กภูมิให้สําเร็จได้ก็หาไม่ โกรธเกิดขึ้นแล้วนะจะเป็นฉลาดเหมือนภาษาริบุตรโอ้โหดีมากสติปัญญานี่นะปัญญาลึกปัญญากว้างขวางปัญญาหนาปัญญาไวปัญญาคล่องแคล่วปัญญาจำแรกกิเลสมีสักอย่างหะนะึ่งเนาะฉลาดเหมือนกับภาษาริบุตรหรือว่าสแสดงฤทธิ์ใดมากเหมือนกับพระโมคขลานะเพราะความโกรธเนี่ยนะมีตาทิพเหมือนพระนรุธะทาได้ไหมไม่ได้นะโกรธเกิดขึ้นจะไปรักษาทูดงเหมือนพระมหากระสปะ โกรธเกิดขึ้นจะเป็นเอตะทะฆ่าเหมือนพระอุบาลีไม่ได้ทราบอย่างเลยนะไม่มีไม่มีแม้แต่นิดเดียวในคุณธรรมของพระอรีย์เจ้าเหล่านั้นโกรธขึ้นมาเนี่ยนะจะโหทรงจําพระไตรปิฎกเหมือนกับพระอานุเทระก็ไม่ใช่อีกนะโอ้ทำให้เป็นสาวกไม่ได้สักข้อเลยแต่ก็มันดีนะใช่ไหมมันชอบโกรธนะมีฉันทะเกิดร่วมด้วยนะอันโทสะเนี่นะมียอดหวานแต่มีรากเป็นพิษเขาว่กากัน้น เวลากโกรธเนี่ยนะมันโหมันสะใจจริงๆเลยนะแต่ว่าเวลาหายโกรธแล้วทำไปได้ยังไงนั่นแล้วก็ความโกรธนี้สามารถที่จะทําให้ได้สมบัติทั้งหลายมีความเป็นพรมโกรธเกิดขึ้นนะโหแผ่ความโกรธเนี่ยกระจายไปจะทําให้เกิดเป็นมหาพรมเลยมีไหมมีนะยิ่งกระจายไปเท่าไหร่ก็ยิ่งลึกเท่านั้นแหละความโกรธนี่ยจะทําให้เป็นเท้าสะกะนะพระอินทเนี่ยก็ไม่ได้อีก ท้าสก่มีวัตวตบทอยู่ข้อหนึ่งนะจะไม่โกรธ ถ, ถ้าโกรธจะกําจัดความโกรธให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้นะอันนั้นเป็นวัตตบทข้อหนึ่งของการบําเพ็ญบารมีเพื่อเป็นเท้าสก่าหรือว่าโกรธมากๆแล้วเป็นเป็นเหตุให้ปฏิสนธิเกิดเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิไม่ได้นะโกรธมากๆแล้วจะเป็นในหลวงอย่างเงี้ยผลของความโกรธจะทําให้เกิดเป็นในหลวงโหครอบครองแผ่นดินไทยแผ่นดินเทศต่างๆเนี่ยนะ เป็นไปไม่ได้เนาะความโกรธนี้ก็ไม่ได้ทําให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระปัเจกับพุทธเจ้าเป็นพระสาวกเป็นพรหมเป็นพระอินท์เป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระราชามหากษัตริย์คนมั่งมีสีสุขมันเป็นเหตุให้ได้สมบัติเหล่านั้นซากอย่างก็ไม่มีเลยนะประโยชน์โลกนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์โลกหน้าที่ว่าอย่างนี้ก็ไม่มีเลยแล้วโทสะเกิดขึ้นมากๆเป็นอุปนิสัยตัดมรรคผลนิพพานด้วยนะคนโกรธมากๆ ไม่ทําให้ไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานนะถ้าโกรธไปจนถึงทำอายุประวาทินะถ้าไม่ขอโทษท่านอย่างไรชาตินี้ก็เป็นหมันแน่นอนไม่ได้บรรลุถ้าโกรธท่าไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสังฆเพศอย่างไรก็ไม่ได้ดีแน่นอนนะงนั้นความโกรธเนี่ยทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละก็บอกว่าที่แทเ้แล้วกรรมนี้ทําให้เคลื่อนจากศ า, าสนานี่ถ้าพูดถึงพระภิกษุนะถ้าโกรธบ่อยๆก็ทําให้เคลื่อนจากศาสนาหมายถึง สุขาลาเพศยังความเป็นคนกินเดนเป็นต้นและทุกต่างๆมีทุกในนรกเป็นต้นให้เป็นไปแก่ตัวเจ้าโกรธมากๆก็ต้องสึกไปนะถ้าศึกไปแล้วก็เสียหายจากอะไรบ้างเนะีเสียหายจากพระสูตรพระวินยัยพระอภิธรรมพระธรรมแปดห0ื่นสพระธรรมขานารนี่ก็ยากแล้วนะเขาบอกว่าถ้าอยู่ในเพศสัมมนศึกษาพระธรรมยากคิดว่าเป็นคารวะจะง่ายแล้วนั่นแหละโดยมากพระภิกษุสึกออกไปเพราะความโกรธหรือเพราะ หรือรือเพาะราคาครับทั้งสองอย่างนะคือถ้าราคาเกิดมันก็โกรธง่ายใช่ไหมมันมีหวังสักที่หนึ่งปุ๊บเนี่ยได้ปัจจัยโกรธขึ้นก็สึกได้เจ้าว่าร้ายแห่งเนี่ยสึกเพราะความโกรธมีนะเช่นาทายกเราเล่าวัดเนี่ยมาต่อว่าก็เลยสึกประจานเลยเนะี้ยแน่จริงก็ยกวัดให้เลยเอาไปสึกเลยก็มี <c oughs> นะคือสรุปแล้วนะด้วยทั้งสามอย่างนั่นแหละโลภก็ทําให้ เสื่อมได้โทสะก็ทําให้เสื่อมได้โมหะก็ทําให้เสื่อมไดนะ้รู้เท่าไม่ถึงการก็ทําให้ต้องเสื่อมได้หมดเล ย, ยก็บอกว่าพูดถึงว่ายังความเป็นคนกินเดนเป็นต้นวันนี้เนี่ยขับรถผ่านตลาดแห่งหนึ่งนะแต่กับโยมผู้การมองเห็นขอทานคนหนึ่งเลยนะมีมีฝรั่งสี่ห้าคนเนี่ยเดินคนขอทานเนี่ยนะก้มลงกราบเลยนะเพื่อที่จะให้เขาให้ทานเนี่ยนะ ไม่มีใครให้แม้แต่ชิ้นเดียวเลยนะเดินผ่านไปก้มลงกราบข้างๆฟุตบาทเนี่ยนะเขาไม่ให้มีใครให้หยิบให้สัก บ, บาทเดียวเลยนะมองเห็นหูไม่ธรรมดานะถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้สะสมบุญไว้เนี่ยมันมันทุกขนาดนั้นเลยนะในการทำมาหาเลี้ยงชีพเนี่ยนะไม่สามารถที่จะประกอบการงานได้ถือว่าคนเนี่ยถึงกับก้มลงกราบเพื่อที่จะขอสตังค์เนี่ยก็ถือว่าว่าสุดยอดเลยนะคือถ้าไปกราบที่อื่นๆเนี่ยนะก็อาจจะ ฟังขึ้นนะแต่นี้ข้างๆฟุตบาทซึ่งในตลาดซึ่งคนเต็มไปหมดเลยนะสังเวทใจพอสมควรนะงั้นนั่นก็ถามว่าวิบากเหล่านั้นเกิดจากอะไรทําไมคนไม่ให้ทานรู้ไหมมัจฉริยะเนี่ยเกิดร่วมกับจิตชนิดไหนมัจฉริยะเกิดร่วมกับโทสะเพราะโทสะเกิดขึ้นคนจะไม่ให้ทานนะเมื่อไม่ให้ทานทานก็ยังให้ไม่ได้ศีลเป็นต้นก็จะไม่รักษา เพราะว่าโทสะเกิดขึ้นไม่ใช่ศีลสักข้อเลยนะไม่เป็นเจตนาศีลไม่เป็นเจตสิกศีลไม่เป็นสังวรศีลไม่เป็นอวีติกมามศีลไม่ได้ศีลแม้แต่อย่างเดียวเลยเพราะฉะนั้นไอ้โทสะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะถ้าเป็นพระก็สา ม, มารถเคลื่อนที่จะไปเป็นคนกินเดนแล้วก็ถึงกับทําบาปกรรมตายแล้วก็ไปตกนรกเหมือนกับหลวงพ่อโกกาลิกะใช่ไหมเสร็จเลยอะ่ะตกนรกพระโกกาลิกะเนี่ย นับปีเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยนะว่ามันกี่ปีต่อกี่ปีเนี่ยนะมันมากมายขนาดนั้นนะโกรธถึงกับด่าพระสารีบุตรพระโมคขลานะด่าพระอริยเจ้าหรือเหมือนกับสุนัขะตะฤิ์ชวีบุตรเนี่ยนะสุนัขตาลิช์ชวีบุตรเนี่ยนะถึงกับเที่ยวด่าพระพุทธเจ้าเลยนะอาศาัยความโกรธเป็นเป็นปัจจัยพระพุทธเจ้าบอกว่าถ้าสุนัขตาฤทิ์ชวีบุตรเนี่ยไม่ละคำละวาจาอันนั้นเะนี่ยนะไม่ละเจตนาอันนั้นเที่ยงที่จะตกนรก เหมือนผู้ที่สมบูรณ์ด้วยศีลสมาธิปัญญานีิกย็ยินในอรหัตตผลแต่ถ้าคนที่โกรธพระพุทธเจ้าถึงกระดาเนี่ยนะเที่ยงที่จะตกนรกเหมือนกันในลักษณะนั้นอันโทสะนี้เป็นภัยที่ร้ายแรงมากที่เกิดขึ้นนะมันแผดเผา ร, ราคาคินาโทสกคินาและโมหคินาไฟคือราคะไฟคือโทสะและไฟคือโมหะมีเทวดาอยู่กลุ่มหนึ่งเทวดากลุ่มนี้เนี่ยเทวดาชั้นจ่าตุ้มเนี่ย ถ้าเจอหน้ากันเนี่ยนะเทวดาคนหนึ่งเนี่ยโกโรธคล้ายๆกับว่าถ้าพวกเราทั้งหลายก็ขับรถคันหนึ่งขับปาดหน้าไปใช่ไหมคันข้างหลังเนี่ยโกรธไอ้ข้างหลังเลียวกลับมาเออโกรธเราเนี่ยเราก็โกรธตอบเลยเกิดเรื่องเลยใช่ไหมเทวดากลุ่มน totally ี uh ้ก็เหมือนกันคนหนึ่งผ่านไปเนี่ยนะมีบริวารเนี่ยอีกคนหนึ่งเหล่ด้วยความโกรธอีกคนหนึ่งมองกลับมาเออโกรธเรานี่อยฝั่งนี้ก็เลยต่างคนต่างโกรธแต่โทสะกับโทสะเนี่ยประสานคันเข้า ตายทั้งคู่เลยนางฟ้านี่ร้องให้ระ ง, งมเลยนะเทพบุตรสองคนเนี่ยด้วยความโกรธนี่นะมองกันด้วยความโกรธเนี่ยจูตีทั้งคู่เลยตายทั้งคู่เลยอันความโกรธเนี่ยขนาดเสวยสมบัติแห่งความเป็นเทวดาแล้วก็ยังตายเลยใช่ไหมคนเนี่ยนะฆ่าตัวตายเพราะความโกรธก็ไม่ใช่น้อ ย, อยเลยนะถึงกับมีการตีรันฟันแทงถึงกับเข็นฆ่ากันก็อาศัยความโกรธนั่นแหละเป็นเหตุ เพราะฉะนั้นเอกขึ้นชื่อว่าความโกรธเนี่เมื่อทํากรรมนี้แล้วก็ชื่อว่าเผาตัวเองนั่นแหละและทําตัวเองให้มีกลิ่นเหม็นก่อนเหมือนอย่างคนที่ใช้มือทั้งสองจับก้อนฐานร้อนอันปราศจากเปลวหรือจับก้อนคูดประสงค์จากขว้างปาผู้อื่นก็เท่ากับเผาตัวเองหรือทําตัวให้กลิ่นเหม็นให้มีกลิ่นเหม็นอยู่ก่อนฉะนั้นใช่ไหมต้องการจะจับอุจจาระขว้างคนอื่นตัวเองเนี่ยเหม็นก่อนแหะ ต้องการจะจับก้อนเหล็กร้อนนะคว้างปาผู้อื่นตัวเองก็ร้อนก่อนโทสะนี้เมื่อเกิดขึ้นแก่บุคคลใดก็จะเป็นในลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นโทสะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นบุญญาณิที่อะไรเลยใช่ไหมอ่าบุญญาณิธีนี้เป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์เป็นต้นด้วยนะอย่างที่เคยอ่านให้ฟังครั้งหนึ่งแล้วได้อ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งเฉพาะในเป็นพระสูตรว่า บุรุษเนี่ยนะย่อมฝังขุมทรัพย์ไว้ในน้ำลึด้วยคิดว่าเมื่อกิจที่จําเป็นเกิดขึ้นทรัพย์นี้จะเป็นประโยชน์แก่เราเพื่อเปลื้องตนจากราชภัยบ้างนะกล่าวถึงบุคคลที่เอาทรัพย์ไปฝากฝังสมัยก่อนนี้ก็ฝากแม่น้ําอ่ะนะจมลงไปในแม่น้ําสมัยนี้ก็ฝากธนาคารนั่นเองพูดถึงทรัพย์ที่เอาไปฝากไว้ถามว่าเขาทรัพย์สมบัติที่เขาไปฝากไปเก็บไว้ในสถานที่ต่างๆเพื่อประโยชน์อะไร เพื่อเปลื้องตนจากราชภัยบ้างนะเพื่อช่วยตนให้พ้นจากโจรภัยบ้างเพื่อเปลื้องนี่บ้างนะหรือว่าในคราวทุกภยัยนะก็จะได้อาศัยทรัพย์เหล่านี้เนี่ยมาช่วยแก้ปัญหาหรือจะใช้ทรัพย์เหล่านี้ในคราวคับขันขุมทรัพย์ที่เขาฝังไว้ในโลกก็เพื่อประโยชน์นี้แหละขุมทรัพย์นั้นย่อมหาสําเร็จประโยชน์แก่เขาทั้งหมดในการทุกเมื่อทีเดียวไม่นะ ขุมทรัพย์ที่เขาฝากฝังไว้นั้นก็ไม่ได้สำเร็จประโยชน์ไปหมดเพราะขุมทรัพย์นั้นเคลื่อนจากที่ไปเสียบ้างความจำของเขาเคลาดเคลื่อนเสียบ้างเอ๊ไปฝังไว้ตรงไหนกันแน่ลืมเลยอย่างนี้นาทั้งหลายลักไปเสียบ้างยักษ์ทั้งหลายลักไปเสียบ้างผู้รับมรดกที่ไม่เป็นที่รักขุดเอาไปเมื่อเขาไม่เห็นบ้างในเวลาที่เขาสิ้นบุญขุมทรัพย์ทั้งหมดนั้นย่อมศูนย์ไป ขุมทัพคือบุญของผู้ใดเป็นสตรีก็ตามเป็นบุรุษก็ตามฝังดีแล้วด้วยทานถ้าโกรธเกิดขึ้นให้ทานไหมไม่ได้ทำทรัพย์เลยนะไม่ได้ฝังทัพอะไรไว้เลยสักอย่างนะถ้าโทสะเกิดขึ้นขณะนั้นจะไม่ให้ทานขนะุมทัพย์คือศีลขุมทรัพย์คือสัญญมนะหรือสมาธิการเจริญพุทธคุณนะความสํารวมตนสํารวมกายวาจาหรือว่าสํารวมอินทรีย์ธรมะธรมะก็คือปัญญาเครื่องระงับกิเลส ความฝึกตนนะทากุศลเหล่านี้ในเจดีก็ดีในสงก็ดีในบุคคลก็ดีในแขกก็ดีในมารดาก็ดีในบิดาก็ดีในพี่ชายก็ดีนะก็คือเอาไปทากุศลอย่างใดอย่างหนึ่งกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั่นเองคุ้มทรัพย์นั้นชื่อว่าฝังไว้ดีแล้วใครๆไม่อาจผจนได้เป็นของติดตามตนไปไปได้ บรรดาโพคะทั้งหลายที่เขาจำต้องละไปเขาก็พาคุมทรัพย์คือบุญนั้นไปนะแต่ถ้าคนที่โกรธมากๆก็จะพาคุมคุมบาปคือโทษะไปด้วยไม่ใช่คุมทรัพย์เลยนะคุมบาปเลยพักพกพาบาปไปเพียบเลยนะโตราบาปติดตัวไปที่ไหนเนี่ยนะกลิ่นไม่ดีทักอย่างเลยนะคุมทรัพย์คือบุญเนี่ยไม่สามารถสาธารณะแก่ชนเหล่าอื่นโจรก็รักไปไม่ได้ บุญนิี่อันใดติดตามตนไปได้ปราดพึงทำบุญนิี่อันนั้นนะบุญนี้ไม่สาธารณะแก่คนอื่นนะสมมติถ้าผู้การไปเจริญพุทธานุสติขึ้นมาแล้วเอาแบ่งเอาแจกแจกแจกคนละหปอไม่ได้นะใจใครที่เจริญก็เกิดขึ้นกระจายคนนั้นผู้ใดอนุโมทนาอย่างมากเขาก็ได้อนุโมทนาใหม่บุญสำเร็จที่เกิดจากพลอยยินดี คนคนหนึ่งเนี่ยนะเจริญพุทธคุณหนึ่งชั่วโมงอีกคนหนึ่งพลอยพลอยอนุโมทนาด้วยหนึ่งวินาทีอย่างเงี้ยให้บุญวินาทีกับชั่วโมงมันห่างกันเหลือเกินยังไงก็ได้เสี่ยวมันหน่อยเดียวนะก <c oughs> ุศลจิตเกิดนิดเดียวที่อนุโมทนากับเขาอไม่เหมือนกับที่เราทําเองใช่ไหมถ้าทําเองก็ไม่สาธารณะกับใครใครจะมาขอนะแอบซ่อนอ่นะแอบลักเอาไปก็ไม่ได้ <c oughs> อีสานนี่มียุงข้าวยุงข้าวเก็บเก็บข้าวเปลือกใช่ไหม อมีโจนเนี่ยนะไปเจาะรูข้างล่างไอ้สายนี้ก็เก็บสายไปข้างหลังก็เอาไปเจาะรูแล้วเอากระสอบเนี่ยนะมามันก็ลงใส่กระสอบพอดีแล้วเข็นไปขายเกลี้ยงเจ้าของเนี่ยนะข้างหน้าเนี่ยสายกุญแจอย่างดีนึกว่าข้าวเปลืองนี่อยู่เต็มยุ่งเลยนะเปิดเข้าไปอา้าวข้าวหายไปแล้ว่อาทรัพย์ในโลกส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่บุญเนี่ยนะไม่มีใครแอบแย่งเอาไปได้หรอกลืมเก็บก็ไม่เป็นไรไม่มีใครแย่งเอาไปได้เพราะบุญเกิดที่ไหน เกิดที่ใจนะเกิดที่จิตบุญนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ก็หมดไปแต่เจตนาที่เกิดร่วมกับบุญนั้นชาวนะดวงที่หนึ่งสามารถให้ผลในชาตินี้ใช่ไหมดวงที่7็สามารถให้ผลในชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่6ก็เป็นของให้ชาติที่สาเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นไม่มีใครแย่งความคิดอันนั้นไปได้นะอันความคิดจะดีหรือจะชั่ว น, นั่นแหละคือสมบัติของผู้นั้นอันถ้าหากว่าสะสมโทสะมากมรดกบาปติดตัวไปอีกเพียบเลยนะ โทสะนี่ถ้ามันให้ผลทางตานะตาก็เข้มากันตาก็เสียถ้ามันให้ผลทางหูหูก็เสียให้ผลส่วนไหนส่วนนั้นเสียหายหมดเลยเพราะโทสะก็คืออกุศล น, น่ยนะเพราะมันเป็นเป็นกรรมประเภทอุปปีกรกรรมนะมาเบียดเบียนกุศลทั้งหมดนะเบียดเบียนผลบุญที่ทำไ้แล้วนะสายโทสะนี้จะเป็นอุปคาตกรรมมาตัดรอนผลของบุญที่ทำไแล้วเนี่ยให้มันน้อยลงไปนะ เช่นกำลังฐานะมั่งมีสีรุขตายแล้วอย่างไงนะโทรศสนี้ก็จะมาเป็นอุปคาตกรรมทำให้อายุสั้นก็ได้เพราะฉะนั้นบุญญานิธิเนี่ยนะบุญนิธิคือที่ฝังไว้แล้วดีเดียวเนี่ยอันวยผลที่น่าปรารถนาทุกอย่างแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาและมนุษย์ปรารถนานักซึ่งอิตผลใดๆอิทตผลทั้งหมดนั้นนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญญณิธินี้ คืออาศัยบุญเนี่ยนะสา ม, มารถที่จะน้อมไปปรารถนาสิ่งที่ตัวเองต้องการอย่างใดก็สําเร็จใช่ไหมคนมีบุญอยากได้บ้านก็มีบ้านอยากได้รถก็มีรถอยากได้ทรัพย์สมบัติหิวก็ได้กินเป็นต้นตคนไม่มีบุญเนี่ยนะไม่ได้สักอย่างเลยตรงกันข้ามหมดเลยไอ้ที่มีก็หายไอ้ที่ไม่มีก็หาไม่ได้ถ้าบาตมันให้ผลก็จะลักษณะนั้นบุญนี้ถ้าจะให้ผลในรูปร่างกายให้ยังไงบ้าง ความเป็นคนมีวัณะงามความมีเสียงเพราะความมีสวดทรงดีความมีรูปสวยความยิ่งใหญ่ความมีบริวารอิทธิผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญยะนิธินี้นะคนมีบุญนะสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติของคนมีบุญเขาเขาสะสมบุญไว้ก็เป็นของเขาไปนะของเราไม่มีเราก็มุทิตากับเขาก็ได้ใช่ไหมเจริญมุทิตาเออเขามีบุญกันนะ นะถ้าเจริญกุศลอย่างอื่นๆไม่ได้นะขับไปนั่งรถไปตามถนนหนทางเออคนเหล่านี้มีบุญนะเขามีรถใช้เขามีชีวิตผาสุกดีเออดีใจกับเขาด้วยมุทิตาบันเทิงกับเขาด้วยเจริญมุทิตาเลยก็ได้นะอาศัยโอ้คนเหล่านี้มีบุญนะเราก็คิดอย่างนี้เราก็ไม่รู้สึกอิจฉาทิสยาตาร้อนในสักอย่างนะดินดีกับเขาไปด้วยเราก็จิตเป็นกุศลได้นี่เป็นการเพ่งบุญญากริยาวัตถุนะอันนี้นะฮะ อันโมทนาเขาด้วยมุทิตาครับมุทิตาเขาด้วยที่เขาได้ดีนะออก็ขอมุทิตาด้วยนะได้ดีก็ดีใจด้วยว่างั้นเ้วยครับ อ, อ, อันนี้ทําได้เจนตอนความเป็นพระราชาเฉพาะประเทศนะความเป็นใหญ่คือพระเจ้าจากักรพรรดิสุขของพระเจ้าจากักรพรรดิที่น่ารักความเป็นพระราชาแห่งเทวดาในทิพยนิกายทั้งหลายอิทธผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญยาณิธินี้ สมบัติของมนุษย์ความยินดีในเทวโลกสมบัติคือพระนิพพานอันใดอิทธผลทั้งหมดนั้นบุคคลย่อมได้ด้วยบุญยะนิธินี้อิทธิพลนี่แปลว่าอะไรอิธานี่แปลว่าหน้าปรารถนาอิธานี่หน้าปรารถนาผลที่น่าปรารถนาว่าไงผลที่น่าปรารถนาน่าใคร่หน้าพอใจอความที่บุคคลอาศัยสัมปทาคุณเครื่องความถึงพร้อมคือมิตรแล้ว ถ้าหากว่ามีมิตรเป็นต้นนี่แล้วนะถ้าประกอบโดยอุบายที่ชอบเป็นผู้ชำนาญในวิชาแลวิมุตอิตธผลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญญานิธินี้นะเธอถ้าหากว่ามีบุญก็จะทำให้ได้พบกาลยานามิตรใช่หมอ่ากาลยานามิตรก็จะแนะนำถึงวิธีที่ประกอบไปด้วยอุบายเป็นเชื่อของอะไรอุบายเป็นเชื่อของปัญญาเป็นต้นนั่นเองนะก็จะชนานาญในวิชาวิชาสาม ในวิมุตต์คือเจโตวิมุตต์และปัญญาวิมุตต์นะก็สา ม, มารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่ความสําเร็จอันนั้นก็อาศัยบุญญาณิธินะถ้าไม่มีบุญเก่าเนี่อย่าหวังเลยอ่าเรียกว่ามีสิทธิ์หวังแต่ไม่เป็นจริงใช่ไหมแต่ก็ความหวังอันนั้นจะสําเร็จได้ก็อาศัยบุญญะนิธิว่างั้ปฏิสัมพิธาวิโมกสาวกบารมีปัจเจกโพธิและพุทธภูมิอันใด อิทธพลทั้งหมดนั้นอันบุคคลย่อมได้ด้วยบุญญาณิธินี้บุญญาสัมปทาคุณเครื่องถึงพร้อมนั้นคือบุญนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์อย่างใหญ่ยิ่งเพราะฉะนั้นบัณฑิตผู้มีปัญญาจึงสารเสริญความเป็นผู้ทาบุญไว้แล้วนะบุญที่ทําก็ขณะที่ทําบุญก็จะทําให้เกิดความฉลาดขึ้นในใจด้วยและบุญที่ทาไว้แล้วเนี่ยนะก็จะเป็นปุเพกตปุญญตาของ ชาติต่อๆไปด้วยนะจะเป็นคนที่มีบุญที่สะสมไม่ดีแล้วนะแต่ทีนี้ที่เอามาอ่านเพื่อให้เห็นตรงกันข้ามกับโทสะนะถ้าโทสะไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์เหล่านี้เลยแต่ตรงกันข้ามนบอกว่าอเวจีมหานรกที่แออัดยัดเยียด ก, ก็ไปเพราะโทสะนะพบภูมิต่างๆนะเปรดที่อดอยากหิ้วห้ยนะเดรัจฉานที่เดือดร้อ น, นหรือมนุษ กำพรายยากจนเข็นใจเป็นต้นก็อาศัยผลของของบาปนั่นแหละมาตัดรอนมาเบียดเบียนทำให้เขาไม่สา ม, มารถที่จะทำกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งได้ชีวิตก็เลยเป็นชีวิตที่มีแต่ความทุกข์ยากอย่างเดียวเวลาก็จวนหมดแล้วครับเหลืออีกนาทีสองนาทีสังเกตดูน ะ, ะคะคนที่เป็นมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่โทสะโทสะจริต ตอนกําลังเป็นใช่ไหมคือคือสาเหตุความเครียดนะโอ้ความเครียดที่เป็นสาเหตุของโรคไดท้ทุกทนะุกโรคเลยเพราะนั้นมะเร็งเนี่ยคนที่ใกล้ใกล้ตัวเนี่ยนะเขาจะโทสะจริตเราก็อยู่ใกล้เขาเนี่ยเราก็ร้อนอทุกวันทุกวันก็เราอยู่ใกล้กับผู้มีโทสะนะเราก็มันเป็นประตูครับ มันเป็นอุปัติเหตุปัจจัยทําให้เราต้องเป็นอย่างนี้นะมสมมติถ้าไฟมันไหม้นะถ้ามีเหล็กอยู่ข้างๆเนี่ยถามว่าเหล็กร้อนไหมมันก็ร้อนเชื้อติดติดกันไปด้วยนะอ่าโทรสะที่ที่มันเกิดขึ้นนะมันสามารถกระจายไปหาคนอื่นเหมือนกับไฟที่มันแผ่ความร้อนออกไปนะถ้าถ้าเราอยู่ในนี้นะีคนคนหนึ่งโกรธม่งม่งมุง่งม่งขึ้นมาเลยที่เหลือตกใจหมดเลยตกใจกับโทรสะอีกนั่นแหละน่ะใช่ไหม โทรศนี่จะเกิดขึ้นเกือบทั่วหน้ากันเลยนั้นถ้าไม่ดีถ้าคนหนึ่งก็กระจายกันไปแต่ถ้าดีถ้าคนหนึ่งก็กระจายอันนั้นอีกไปเหมือนกันความจริงนะบุญญาณิธินี่นะครับอ่าน่าจะเปลี่ยนคําว่ามูลนิธิมาเป็นบุญญาณิธินะครับเพราะว่าบุญญาณิธิมีความหมายดีดีมากเจนทานมันเป็นเรื่องของการฝังการฝากการ เก็บไว้อย่างดีนะบุญญาณิธินี่นะครับเจนพาเป็นที่เก็บที่ฝังที่เอที่ที่ปลอดภัยนะเจนพาบุญญาณิธินี่เป็นคําที่ดีมากเลยเจนพาคาว่านิธินี่แปลเป็นชื่อของคําว่าคําว่าฝังนะนิธินี่แปลว่าฝังแต่ว่าฝังอะไรอ่ะฝังบุญหรือฝังบาปนี่ก็ฝังไว้ในใจนั่นแหละบาปบาปปณิธิเอ เราหน้าดูกันนะสาสมบาปนะบาปปณิที่นี่ยานะอ่าก็มีข่าวนะว่า